นราสะโพเนเกสโบเวสซติงสะปารมีนมามิศิรสานิจังปุเรตวะอาคโตวรังโมขังนาโทพิชันโตนวยังหิตวาสัรธกหัง โมทังวเนสุดุการังนามามิศิระสาทรงางพระนราสพะผู้ทรงบำเพ็ญพระบารมีสามสิบทัศนับพบนับชาติไม่ท่วนได้ทรงสเสด็จมาดีแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระนราสพะผู้ประเสริฐพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวเป็นนิดพระนาถาเจ้า ทรงบำเพ็ญพระบารมีสระพระราชโอรสพระธิดาทั้งสามพร้อมทั้งมเหสีและแว่นแคว้นทรงรื่นลมในภัยสนข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระนาถาเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพเพื่อเพื่อขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยด้วยความเคารพอย่างสูง ขอความจเจริญในธรรมจยมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายในวันนี้เราท่านทั้งหลายได้มาปราบงานชาวพน ก, กิจสอบคุณแม่อรยาสมเสด็จซึ่งได้ถึงแก่การวายชนหรือมรณะกรรมหรือสิ้นชีวิตสิริรวมอายุก็แปดสิบสองปี ซึ่งเราท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นบุตรเป็นสามีเป็นญาติมิตรทั้งหลายที่มาร่วมงานชาปนากิจศพในวันนี้ต่างก็มีความรู้สึกอะไรในการจากไปของคุณแม่อรายาในครั้งนี้เราท่านทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดาทรงตรัสไว้บอกว่าเรามีความเกิดเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเกิดไปได้เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเก็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเก็บไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นอันนั้นเป็นพุทธดำหลักที่พระบรมศาสดาทรงตรัสเขาไว้ ซึ่งวันนี้เราก็มาประจักษ์ชัดกับความจริงแล้วว่าเราได้พลัดพรากจากของอันเป็นที่รักคือคุณแม่อรยาดังได้กล่าวว่าท่านได้สิ้นชีวิตลงในอายุไข82ปีที่จริง82ปีนี่ก็ถือว่าอายุมากแต่ในความรู้สึกของเราท่านทั้งหลายถ้าเป็นบุคคล น, นั้นเป็นที่รักของเราแล้วเนี่ยเราก็ไม่ปรารถนาที่อยากจะพลัดพรากเราก็อยากจะอยู่นา น, น, าน อันนั้นเป็นความรู้สึกเป็นความคิดนึกของเราท่านทั้งหลายแต่สปปรรพสิ่งทั้งหลายมันเป็นแบบนี้พระบระมา ศ, าาศาสดาทรงตรัสถึงในเรื่องของอริยสัสจเจธรรมทั้งสี่บอกว่าหนึ่งทุกสองเหตุให้เกิดทุกสามความดับทุกสี่ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกอริยสัจนี่เป็นสัจจะเป็นความจริงของพ า, าราิยะอริยสัจนี่เป็นสัจจะเป็นความจริงที่ เป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้คนเข้าถึงกลายเป็นอริยะอริยศาสตร์นี้คือความจริงอันประเสริฐ ท, ที่พระตถาคตเจ้าทรงค้นพบและได้เห็นความจริงในข้อนั้นยกตัวอย่างเช่นทุกขศษัตริ์เนี่ยตัวปัญหาเป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าเป็นสัจจะเป็นความจริงของป ร, ริยาเจ้าซึ่งเราท่านทั้งหลายที่เป็นปุรุษชนควรจะรู้จักควรจะจับตัวมันให้ได้ควรจะประจักษ์ชัดด้วยการใช้ปัญญาไปรอบรู้ความจริง ไม่ว่าจะเป็นทุกในอดีตทุกในปัจจุบันและทุกในอนาคตทุกทั้งภายในภายนอกทุกทั้งหยาบละเอียดทุกไกลและใกล้ทั้งหลายเหล่าเนี้ยถ้าเรามีปัญญาไปรอบรู้ความจริงของกระแสชีวิตว่ามันเป็นทุกเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันไม่คงทนไม่ถาวร อ, อย่างนี้เป็นต้นเราพิจารณาถึงตอนที่เราเกิดใหม่ๆตอนที่เราเป็นหนุ่มสาวตอนนี้เราก็ย่างเข้าสู่วัยชราแล้วในที่สุดจริงๆ กระแสขันธาตุอายตนากระแสชีวิตก็จะต้องดับลงอันนั้นคือความจริงของชีวิตชาติทุก์ทุกคือความเกิดชราทุกทุกคือความแก่พยาธิทุกทุกเพราะความเจ็บไข้มรณะทุกทุกคือความตายความโศกความร่ะไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจแท้ที่จริงก็คือว่าเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายเหล่านี้ยเป็นสัจจะเป็นความจริงนั้นเป็นทุกคําว่าทุกในที่นั้นกับคําว่าทุกใจมันคนละอย่าง อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าความจริงที่เราประจักษ์กันตอนนี้ก็คือคุณแม่อรยาเนี่ยท่านเสียชีวิตแล้วท่านนอนอยู่ในโรงเนี่ยอันนี้แปลว่านั่นคือทุกข์นั่นคือความจริงที่ประจักษ์ชัดแต่เราไปมองเห็นความจริงแล้วเนี่ยเราเศร้าโศกก็ได้การที่เราไปมองเห็นความจริงข้อนี้ว่าคุณแม่ได้จากไปได้ตายไปแล้วเนี่ยแล้วเราเกิดความโศกแปลว่าเราเอาทุกข์ที่เป็นธรรมชาติมาไว้ในใจเราก็กลายเป็นทุกข์สองชั้นขึ้นมา หทุกข์คือความจริงก็คือการตายทุกข์ความจริงคือความแก่ทุกข์ของความจริงคือความเจ็บไข้ทุกข์ของความเป็นจริงนั่นคือความเกิดกระแสชีวิตมันหมุนเวียนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปตามความเป็นจริงอย่างนี้แต่ถ้าเราไปมองด้วยตัณหาด้วยความอยากมองด้วยความเห็นที่ผิดพลาดว่าไม่น่าตายเลยไม่น่าจากไปเลยพอไปคิดอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บแล้วเราก็มาปรุงแต่งใจเราให้เป็นทุกข์ให้ทรมานว่า ท่านน่าจะอยู่อีกนานๆน่าจะอยู่กับเราสักร้อยปีร้อยี่สิปีอย่างนี้เป็นต้นเราไปปรุงแต่งความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาแปลว่าอะไรเราไปเอาทุกข์ของธรรมชาติมาใส่ไว้ในใจเราเมื่อเราเอาทุกข์ของธรรมชาติมาใส่ไว้ในใจเรามาปรุงแต่งเกิดโทมนัสเกิดความเสียใจโทมนัสน้อยเนือ้อต่ําใจว่าแม่ไม่น่าตายไปเลยย่าไม่น่าตายไปเลยคุณยายไม่น่าตายไปเลยคุณอาไม่น่าตายไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนาไม่น่าตายไปเลยเนี่ย หรือเพื่อนไม่น่าตายไปเลยเมื่อเราไปคิดไปปรุงแต่งอย่างเนี้ยมันก็กลายเป็นทุกข์ในใจคนขึ้นมาลักษณะอย่างนี้ก็ เ, เรียกว่าเห็นความจริงไม่พอไปดึงเอาความจริงมาใส่ไว้ในใจเราก็มาปรุงแต่งให้ความทุกข์มันซ้ําซ้อนขึ้นมาก็กลายเป็นทุกข์หลายชั้นขึ้นมานี่ทุกข์ซับซ้อนเพ ร, ะระาะบรมศาสดาไม่ได้สอนให้วางท่าทีทางใจแบบนี้พระพุทธเจ้าให้สอนว่าเมื่อเห็นความจริงอย่างนี้แล้วจงใช้ปัญญา เข้าไปพิจารณาเห็นความเกิดเป็นธรรมดาความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บไข้เป็นธรรมดาและความตายเป็นธรรมดาคำว่าธรรมดาหรือธรรมดาเดีนั้นมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้ไม่สามารถที่จะแปลเปลี่ยนเป็นแปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไม่สามารถจะบังคับบัญชาได้เมื่อถึงการและเวลาของกระแสชีวิตทั้งหลายกระแสชีวิตก็ต้องมีการดับและก็มีการแตกสลายไปแบบนี้นี่คือความจริง พอเห็นความจริงอย่างนี้แล้วถ้าเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยความรู้เห็นด้วยความเข้าใจใช้ปัญญาไปพิจารณาไปเจาะทะลุทูลงเห็นความจริงเห็นความเกิดขึ้นของกระแสชีวิตที่เรียกว่าชาติปีทุขขาเห็นความแก่ของกระแสชีวิตที่มีความเสื่อมค่าหรือค้ำค่าของตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นความเจ็บไข้ของกระแสชีวิต คือความที่อวัยวะทั้งหลายมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับเป็นต้นทําหน้าที่วิปริตผิดเพี้ยนและเห็นความตายของชีวิตคือการที่อินทรีย์ทั้งหลายคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมันหยุดทําหน้าที่ก็แปลว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอน็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดมันสมองหรือสมองเป็นต้นเหล่าเนี้ยมันหยุดทําหน้าที่การหยุดทําหน้าที่เขาเรียกว่าตายหรือเรียกว่ามรณะ เรียกว่าการสิ้นชีวิตเรียกา ก, าาการว่าขาดลงการขาดลงแห่งรูปปชีวิตและนามปชีวิตการขาดลงของรูปชีวิตและนามปชีวิตอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการตายแต่เป็นการตายและมีการสืบต่อสืบต่อก็คือท่านเปลี่ยนภพเรียบร้อยไปแล้วตอนนี้เราก็นําล่างที่ไร้วิญ ญ, ญาณไร้ชีวิตจิตใจทั้งหลายเหล่านี้มาทําบําเพ็ญชาวปนกิจศกดิตามตามพุทธประเพณีที่วางหลักเอาไว้ พอเพลนี้อันเนี้ยก็ทําตามแบบอย่างที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในวันที่พระบรมศ า, าสดาสเสด็จ ด, ดับขันธปรินิพพานแล้วก็มีการทําบุญไว้ระยะหนึ่งแล้วก็ถึงวันที่เขาเรียกว่าวันถวายพระเพลิงพระบรมศรพของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่มกุดพันธนเจดีย์ที่กุสินาราเนี่ยหรือที่สารวโนทยานเนี่ยก็มีการเผามีการเผาพระศพหรือพระบรมศรพของพระพุทธเจ้า เขาเสร็จก็เก็บอัฐิหรือเก็บกระดูกเอาไว้สักการะไว้บูชาของพวกเราก็เหมือนกันเราเป็นพุทธบริษัทเรก็ะทำตามแบบอย่างการทำตามแบบอย่างก็คือว่าเราก็เผาเมื่อเกิดพุทธบริษัทไม่ว่าจะเป็นภิกษุอุบาสกบาศิกาของชาวพุทธเนี่ยมีการถึงการมรณกรรมคือตายลงไปหรือเสียชีวิตลงไปเราก็มีการชาวนากิจโดยการเผา เมื่อเผาเบ็เสร็จแล้วเราก็จะมีเหลือแต่กระดูกใช่ไหมหรืออัฐิที่เรียกว่าเนี่ยเหลือกระดูกเก็บไว้เอาไปใส่โกรดบ้างใส่ที่ไว้ดูแลเอาไว้บูช า, าเอาไว้ระลึกถึงเวลาทําบุญบุญก็ได้อุทิศให้ยนี้เป็นต้นส่วนขี้เท่าหรืออะไรที่เหลืออย่างนั้นก็เรียว่าก็ไปโปรยลงแม่ น, น้ําอะไรก็แล้วแต่นั่นก็เป็นประเพณีแต่อย่างนั้นคือการทําตามประเพณีแต่เราต้องรู้ความหมาย ต้องเข้าใจว่าสิ่งของที่เราทําอย่างนี้เรามาในงานสอบเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อมาเห็นความจริงของชีวิตที่บอกว่าเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายนี่แหละแต่าธรรมดาในที่นั้นก็คือมันเป็นเช่นนี้แล้วมันจะต้องเป็นแบบนี้เราเขาตอนนั้นเนี่ยถ้าถามว่าคุณแม่อราิยาเนี่ยตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านสอนอะไรเราเออท่านแล้วตอนที่ท่านตายเนี่ยท่านสอนอะไรเราอัฏฐะหรือเนื้อความท่านสอนเรา มันมีในพระสูตรหนึ่งเขาเรียกว่าเทวทูตสูตรในเทวทูตสูตรเนี่ยเขาพูดถึงคนตายเมื่อตายไปแล้วเนี่ยจะต้องไปหมายถึงคนที่ทำดีและทำชั่วกำกึ่งกันเนี่ยก็จะต้องถูกนายเนิ้อบานเนี่ยไปสัมภาษณ์เวลาตายไปแล้วนายเนิ้อบานก็จะถาม บอกว่าตอนที่เธอเป็นมนุษย์อยู่เธอเคยเห็นคนเกิดไหมเนี่ยคนที่ตายก็บอกเคยเห็นเมื่อเธอตอนที่เป็นมนุษย์อยู่เธอเคยเธอเคยเห็นคนแก่ไหมในเนี่ยบานมนุษย์ที่ตายไปแล้วที่ไปเป็นสัตว์นรกก็จะตอบบอกว่าเห็นหรือว่าตอนที่เธอมีชีวิตอยู่เธอเคยเห็นคนเจ็บไข้ไหมแล้วก็บอกว่าเห็น ตอนที่เธอมีชีวิตอยู่เธอเคยเห็นคนตายไหมบอกเคยเห็นนี่สี่อะไรนะเทวทูตเนี่ยสี่แล้วหนึ่งคือเกิดสองคือแก่สามคือเจ็บสี่คือตายเทวทูตที่ห้าก็ตอนที่เธอมีชีวิตอยู่เธอเคยเห็นคนที่ถูกลงโทษจองจํำไหมบอกเห็นเห็นครบห้าประการต่อมานายแาทย์ก็จะถามสัตว์นรกนั้นว่าเธอเห็นคนที่เกิดคนที่แก่คนที่เจ็บคนที่ตายและเห็น คนที่ถูกจองจําลงโทษประหารชีวิตเป็นต้นเหล่าเนี้ยเธอคิดยังไงถ้าไปบอกว่าไม่ได้คิดอะไรเราเจ้าค่ารู้สึกเฉยเฉยคิดอะไรไม่ออกอันนี้แปลว่าเราสอบตกนะนายใ น, นยบานก็บอกเออนี่เป็นกรรมของคุณนะกรรมเนี้ยไม่ใช่มีใครไปปรุงแต่งทําให้ตัวเธอเองเป็นคนทําเองแล้วเธอคิดอัตทะของการเกิดเวียนว่ายตายเกิดไม่ออก คิดอัตถะของการเกิดก็ไม่ออกอัตถะของความแก่ก็ไม่ออกอัตถะของความเจ็บไข้ก็ไม่ออกอัตถะของความตายก็ไม่ออกอัตถะของคนที่ถูกลงโทษก็ไม่ออกคำว่าอัตถะก็คือคิดความหมายไม่เป็นเหมือนวันนี้เราก็มาคิดกันเลยใช่ไหมที่เห็นกันตอนหน้าก็คือมาคิดว่าตอนนี้คุณแม่อริยาตายตายแล้วนอนอยู่ในโรงถ้านายเนียบานถามาเราว่าเราเคยไปงานศพไหมสมมติถ้าเราพวกเราตายไป เราต้องบอกว่าไปไปงานสอบของใครบอกว่าของคุณแม่อารยาเนี่ยไปแล้วเธอเห็นคุณแม่อรยาตายแล้วเธอคิดกันอย่างไรเอาคิดยังไงตอนเนี้ยโอ้ยเสียใจมากเพราะเป็นญาติสมมตินนะเพราะเป็นแม่เราเป็นญาเราเป็นภรรยาเราเป็นพี่ป้าน้าอาของเราเสียใจมากไม่น่าตายเลยถามว่าอย่างนี้ผ่านไหมไม่ผ่าน แปลว่าเราไม่เข้าใจอัธถักเอาบอกว่าเห็นแล้วก็บอกว่าไม่ได้คิดอะไรเลยว่างั้นเถอะก็ถึงเวลาตายก็ต้องตายจะทำยังไงได้มันคิดไม่ออกผ่านไหมไม่ผ่านทีมั้ยองค้นบอกว่าดีเหมือนกันนะถ้าท่านตายไปเนี่ยเพราะว่าท่านจะได้ไม่ต้องเป็นลำบากลาบากลูกหลานญาติมิตรเอาคิดอย่างเงี้ยถือว่าสอบผ่านไหมไม่ผ่านอีกเห็นไหม เราถ้าเราไม่มีข้อมูลในการที่มาฟังในพระสูตรเนี้ถ้าเราทํากรรมนะทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมก้ามกึ่งกันสมมตินะคนบางคนเกิดมาทำบาบห้าสิเปอร์เซ็นต์ทำบุญถ้าห้าสิปอร์เซ็นต์ใช่ไหมบาปกับบุญมันก้ามกึ่งกันทีนี้คนที่บาปกับบุญถ้าคนที่ทําบุญมีกําลังมากกําลังกุศลก็ส่งผลให้ไปสุขติ ถ้าบาปมีกําลังมากก็ส่งผลไปทุคติแต่บุญกัศกุศลกุศลอกุศลที่มันก้ํากึ่งกันบาปกับบุญมันก้ามกึ่งกันเนี่ยฟุ๊ปมันไปที่เมืองเนี้ยไปที่นายเนียบาลสัมภาษณ์แบบเนี้ยไปไปเจอสัมภาษณ์นี้ปุ๊บเราไม่เคยรู้ข้อมูลนี้มาก่อนเลยสอบตกกันเป็นแถวพอสอบตกขึ้นมานายเนียบาลก็บอกเป็นกรรมของคุณนะคุณทําเอง ไม่มีเทพเจ้ามาดนบันดาลให้ไม่มีเทวดาทั้งหลายมาดนบันดาลไม่มีพระเจ้าองค์ไหนมาดนบันดาล น, นะให้คุณขึ้นสวรรค์และตนลกนรกแต่กรรมคือการกระทําของพวกเธอเนี่ยก็คุ้นคุนเนี่ยเป็นตัวผลักดันทําให้คนไปทุกขติหรือไปสุขติฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณตอบ ป, ปัญหาขนาดนายเนื้อบานมาให้ข้อคิดอย่างนี้แล้วเธอยังคิดไม่ได้อย่างเงี้ยเธอก็ต้องถูกผลักลงอบายภูมิไปสัตว์นรกนั้นก็ต้องไปเจ็บปวดไปทรมานในอบัยภูมินี่เขาว่าอย่างนี้นะเอาละทีนี้ ถ้าเป็นพวกเราได้ข้อมูลวันนี้เราก็จำไว้ถ้าเราไปถูกสัมภาษณ์แบบนี้ขึ้นมาบอกว่าไม่เห็นคุณแม่อรายาเนี่ยเสียชีวิตนอนอยู่ในโรงคิดยังไงอา้าวคิดยังไงคิดว่าให้เกิดความเกิดเขาเรียกว่าโยนิโสเนี่ยคิดถูกทางถูกวิธีถูกอุาบายคิดลงไปบอกว่าโอน่าสะเทือนใจเนอะ จัตโลกมีความเกิดเป็นอย่างนี้เองมีความแก่มีความเจ็บไข้และก็มีความตายน่าสะเทือนใจมากและสะเทือนใจต่อมาคือว่าความตายเนี่ยถามว่าตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งเนี่ยเราจะตายเวลาไหนก็ได้ในชั่วโมงนี้เราอาจจะตายในชั่วโมงนี้ก็ได้ในสามสิบนาทีนี้เราก็สามารถที่จะตายได้ ในสิบนาทีนี้เราโอกาสตายตา ย, ตายเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งเราเอานิมิตเครื่องหมายความแน่นอนไม่ได้เลยไม่รู้จะตายยังไงตายเมื่อไหร่ตายด้วยโรคอะไรเนี่ยเราไม่รู้เลยและในหนึ่งนาทีนี้เราจะตายเมื่อไหร่ก็ได้โดยเฉพาะเราอาจจะตายในช่วงที่หายใจเข้าตายก็ได้หายใจออกแล้วมันไม่ออกตายก็ได้หายใจเข้าแล้วไม่เข้าตายก็ได้สรุปแล้วความตายของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันมีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก ในขณะที่สัตว์ทั้งหลายปฏิสนธิคือการเกิดขึ้นมาปุ๊บมันมีอะไรตามเราอยู่ติดเราอยู่ติดในตัวในขนาดนั้นเลยก็คือความตายนั้นความตายเนะี่ยมันติดตัวของสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่การเกิดขึ้นครั้งแรกเลยความตายมันก็ติดอยู่ตลอดเวลามันคอยห้าหั่นทุกเวลาเมื่อสัตว์นั้นเน่ประมาทหรือว่าเมื่อกำลังบุญของสัตว์นั้นเน่ะหมดบุญสรุปแล้วก็คือว่าพวกเราทั้งหลายที่ วันนี้ยังไม่ตายแปลว่าอะไรรักษาอยู่กำลังของบุญรักษาอยู่คนที่ตายแปลว่ากำลังบุญหมดนะบุญหมดนะฉะนั้นบุญของเราเนี่ยเรารู้ไหมเราทำบุญหรือกุศลกุศลที่จะทำให้เราเกิดเป็นมนุษย์นั้นนะ่ะกุศล น, นั้นจะให้เราอยู่ในอัถภาพความเป็นมนุษย์นั้นกี่วันเราไม่รู้เลยฉะนั้นเราอยู่ด้วยความไม่รู้อยู่ด้วยโมหะอยู่ด้วยความมืดบอดเนี่ย ท่านถึงบอกว่าความตายเนี่ยมันจะตายได้ทุกลมหายใจเข้าและลมหายใจออกจะตายที่ไหนก็ไม่รู้ในบ้านนอกบ้านไม่รู้เลยนะจะตายด้วยโรคอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมจะตายกลางวันหรือกลางคืนก็ไม่รู้เอาละจิตอนเนี้ยเห็นไหมเราไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยจะตายด้วยโรคอะไรจะตายที่ไหน ไม่รู้จะตายกลางวันหรือกลางคืนจะตายในบ้านหรือนอกบ้านไม่ทราบเราไม่รู้เลยเนี่ยที่ตายของเราเนี่ยไม่รู้และที่สําคัญที่สุดละตายแล้วจะไปไหนเอาไม่รู้อีกตายแล้วจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกตายแล้วจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานตายแล้วจะเกิดเป็นเปรตตายแล้วจะเกิดเป็นสุสกายตายแล้วจะเป็นมนุษย์ตายแล้วจะเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาตาวติงสายามาดุสตานิมาโนรดีบารณีมิสวาสดัตหรือตายแล้วจะเกิดเป็นพรหมเนี่ยไม่รู้ เห็นไหมตายแล้วไม่รู้จะไปที่ไหนก็ไม่รู้แต่ที่แน่คือตายแล้วเกิดคนที่ตายแล้วไม่เกิดมีอยู่จําพวกเดียวคือพระอรหันต์ซึ่งเรายังไม่ได้เป็นเมื่อเรายังไม่เป็นพระอรหันต์ยังมีกิเลสคือความโลภความกาหนัดยินดียังมีอยู่ความโกรธคือความหงุดหงิดพุ่งสร้างยังมีอยู่ความหลงคือความมืดบอดความไม่รู้ยังมีอยู่ตราบใดเรายังมีกิเลสที่เป็นเหตุแห่งการทํากรรมอย่างนี้ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดไปตามกระแสของกิเลสนั้นนั้นอย่างนี้เป็นต้น สรุบแล้วก็คือต้องตายและตายแล้วก็จะต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะความภาวะความเป็นบุรุษชนฉะนั้นเวลาเรามางานศพของคุณแม่วันเนี้ยคุณแม่อริยาเนี่ยยอมก็ต้องทําความรู้สึกคําว่าสังเวคะเคยได้ยินคํานี้ไหมสังเวชเนี่ยคําว่าสังเวชในที่นี่ยสังเวชในที่นั้นเป็นชื่อของปัญญากับเป็นชื่อของโอตปะเกิดความสะดุ้งสะเทือนเห็นภัยในการตาย และเห็นภัยในการเวียนว่ า, ายตายเกิดว่าเออหนอเนี่ยวันนี้ถ้าเราจะต้องตายในใ น, ในวินาทีนี้เราพร้อมไหมเนี่ยหลายคนก็ต้องบอกยังไม่พร้อมไม่พร้อมก็เพราะอะไรเรายังบําเพ็ญทานกุศลไม่พอเห็นไหมท่านย้อนกลับไปที่ทานกุศลไม่พอเรายังบําเพ็ญศีลกุศลไม่พอและที่สําคัญที่สุดเรายังบําเพ็ญภาวนากุศลไม่พอ เพราะเรายังมาเป็นทานศีลภาวนาไม่พอนี่แหละเราจึงยังไม่อยากตายแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาความตายมันมาถึงความเราจะขอร้องมันได้ไม่ได้เลยเราลองดูอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙เห็นไหมถ้านาดว่าท่านเป็นพระเจ้าบผ่นดินเนี่ยมีกําลังกองทัพ บ, บกกองทัพเรือกองทัพอากาศมีทั้งพลรบมีทั้งอะไรต่างๆป้องกันแย่ๆเบียดเสด็จถามว่าป้องกันความตายตไม่ได้ เนี่ยมจุคือความตายเนี่ยไม่เลือกไม่เลือกว่าจะเป็นคนรวยจะเป็นคนจนจะมีเป็นคนยศถาบรรดาศักดมากหรือยศถาบรรดาศักน้อยจะเป็นคนฉลาดหรือไม่ฉลาดจะเป็นเด็กเป็นสาวเป็นหนุ่มแก่เท่ายัางไงไม่เลือกเมื่อความตายหรือมัจุมาถึงแล้วเขาห้ามหันหมดเหมือนกับก้อนหินใหญ่ภูเขาใหญ่ที่กลิ้งมาจากทิศทั้งสี่ทิศเหนือทิศใต้ทิศ ต, ตะวันออกทิศตะวันตก ว่ามันกริ่งมาแล้วเนี่ยถามว่าไม่มีอะไรไปหยุดยั้งมันได้เมื่อทับกระแสชีวิตสัตว์ท่านในก็ต้องตายนี่เหมือนกันมัจจุ ค, คือความตายเนี่ยไม่เลือกจะเป็นคนรวยจะเป็นคนไม่รวยจะเป็นคนขี้เหล่จะเป็นคนสวยจะเป็นคนฉลาดหรือคนไม่ฉลาดจะเป็นคนมียศถาบรรดาศักด์มากหรือยศถาบรรดาศักดน้อยล้วนแต่บ่ายหน้าไปสู่ความตายเหมือนกันทั้งหมดท่านถึงให้พิจารณาบอกว่า น้ำที่ไหลตกจากภูเขามันก็ไหลเรื่อยไม่ยอมหยุดแม้ชั้นใดกระแสชีวิตทั้งหลายเวลาเกิดขึ้นมาปุ๊บตั้งอยู่แล้วก็บ่ายหน้าไปสู่ความตายฉันนั้นแม่โคเนี่ยที่เขาจูงไปสู่ลงเชือดหรือลงฆ่าเนี่ยทุกอย่างเท้าของแม่โคที่ก้าวไปนั้นก็ใกล้สู่ความตายแม้ชั้นใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มาก มีความคับข้องมากควรเจริญกุศลควรเป็นอยู่ด้วยปัญญาเพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีใช่ไหมลองเวลาเราไม้เนี่ยเราขีดลงในน้ําใช้ไม้ขีดปุ๊บลงไปในน้ําเนี่ยน้ําก็แหวกออกจากกันแล้วก็รีบปุ๊บป๊บเดี๋ยวก็เข้ามารวมกันอย่างรวดเร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้ชันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับข้องมาก ควรเจริญกุศลควรเจริญทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลควรเป็นอยู่ด้วยปัญญาเพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจักไม่ตายไม่มีเลยเนี่ยพอพิจารณาอย่างนี้เราจะได้เกิดความสะดุ้งสะเทือนสมมติเราไปตอบนายเนียบาลพ่นายเนียบาลถามปุ๊บพอเห็นคนตายเห็นยมเห็นคุณแม่อริยาตายเนี่ยคิดยังไงหรือเห็นคนอื่นตายคิดยังไงบอกโอ้โหเนี่ยพอเห็นแล้วเกิดความสะเทือนใจสะดุ้งสะเทือนเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิด เหมือนกับไม้ที่ขีดลงในน้ําน้ําที่แหวกออกจากกันปุ๊บแล้วก็วับเดียวแค่นั้นเองก็เขมาเชื่อมกันไม่ตั้งอยู่นานแม้ฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าเราตอบอย่างนี้นะโอ้ไนเดียบานยิ้มเลยโอ้โหนี่กุศลให้ผลกุลแล้วสัตว์นั้นก็จะตายทันทีนะสตว์นรกนั้นก็จะตายและจะเกิดในสุขติภูมิทันทีเลยเนี่ยเขาเรียกว่าช่วยชีวิตตัวเองได้ด้วยฉะนั้นเวลาเรามางานศพไม่ใช่มาธรรมดามาแล้วให้ได้ปัญญาเห็น ความจริงของชีวิตคือทุกข์เห็นความจริงของชีวิตคือทุกข์และจงอย่าประมาทจงหมั่นในการบาเพ็ญทานกุศลและศีลกุศลและภาวนากุศลโดยเฉพาะถามว่าถ้าเราไม่มีทานกุศลเนี่ยไหมถ้ากำลังทานกุศลเราน้อยเนี่ยมันก็อดตายเนี่ยใช่ไมยอมก็เห็นคนอดตายไหมล่ะ คนอดตายในโลกใบนี้มากจริงๆนะไม่ใช่น้อยๆนะเราอยู่อย่างนี้เราอาจจะไม่ได้ยินข่าวบางประเทศบางแห่งบางที่เนี่ยเขาไม่มีจะกินกันนะอดตายมนุษย์ที่อดตายเนี่ยนับไม่ถ้วนสัตว์เดรัจฉานที่อดตายกันนับไม่ถ้วนหรือพวกพิเปรตอสุรกายทั้งหลา ย, นยเนี่ยพากันอดไม่มีอะไรจะกินนะ่นับไม่ถ้วนนี้อดตายเนี่ยอดตายเพราะอะไรเพราะกำลังของทานกุศลอ่อนแอมาก ฉันกำลังของทานกุศลอ่อนแอเนี่ยมาเล่าเรื่องหนึ่งแล้ะยอมจะได้ข้อคิดนะว่าเล่าแบบย่อมีพระเถระรูปหนึ่งท่านเป็นเจ้ า, าวาดอยู่ในวัดอยู่วัดในเมืองแบบนี้ทีนี้ก็มีพระเถระอีกรูปหนึ่งท่านลงมาจากป่าเขาท่านต้องการมาอยู่ในเมืองเพราะบางคราวท่านจะอยู่เขาบางครั้งก็กลับลงมา ที่นี่พอกลับลงมาก็มาขออาศัยอยู่วัดในเมืองเนี่ยมีพระอยู่รูปเดียวมาอีกก็เป็นสองรูปแต่พระที่มาเนี่ยท่านเป็นพระอริยะมีกิเลสในกระแสะของความคิดหมดแล้วด้วยการที่ท่านบำเพ็ญศีลสมิตมาที่ปัญญาเป็นต้นสามารถทําลายกิเลสให้หมดพอท่านมาท่านก็มาคุยกับพระที่อยู่ในเมืองว่ากับผมขออาศัยอยู่ด้วยสักระยะหนึ่ง ถ้าก็ที่อยู่ในเมืองที่เป็นเจ้าวาก็เชิญเลยท่านเชิญเลยตามสบายเนี่ยนะก็มาอยู่ทีนี้พอมาอยู่ตอนนี้อยู่สักระยะหนึ่งทีนี้คนที่มีศีลาจารวัตเวลาไปอยู่ที่ไหนก็เป็นที่เรื่มใสของคนใช่ไหมประชาชนเห็นก็ก็ศรัทธาโอ้ท่านหลุดเนี่ยมีศีลาจารวัตงดงามมากในการเหมาะแลตรงแลเหลียวก็มีสติชำพัฒนชัญญะในการกากับ คู้เข้าเหยียดออกก็มีสติสัพชัญญาในการกํากับในการกินในการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งท่านก็มีสติสัพชัญญาในการยืนในการเดินในการนั่งในการนอนในการตื่นในการหลับในการพูดในการนิ่งแม้ในการบินตาบัตท่านก็มีสติสัพชัญญาในการเดินบินทบาตเป็นคนสํารวมระวังเป็นท่านสํารวมระวังใครเห็นก็ศรัทธา แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาญาติโยมมาที่วัดท่านก็บอกเหตุบอกผลชี้แจงท่านพระฉลาดพราะมีปัญญาฌานฉลาดสามารถกําจัดกิเลสทุกคนก็เห็นก็เกิดศรัทธาทีนี้พอมีคนมาศรัทธามากขึ้นมากขึ้นพระที่อยู่ในวัดก็เกิดความลิษยาเอตรงนี้สําคัญนะหนึ่งตัณฑ์ตัณฑ์เนี่ยสองลิษยาไม่เหมือนกันน ะ, ะกิเลสสองตัวโยมตนีฑ์มันมีตัณฑ์อยู่ห้าอย่างหนึ่ง ตันีถิ่นตันีที่อยู่ตันีบ้านเมืองก็ว่าไปเหมือนเรามีที่อยู่ตัหนีไหมยอมตันหนีไหมถ้ามีใครอยากจะมาอยู่ยอมอยากให้เขาไหมแล่าตัหนีใช่ไหมแต่พวกเราเราอยากอยากให้เนี่ยมเตือตันีตันีถิ่นตันีที่อยู่บางคนก็ตันีหมู่บ้านบางคนก็ตันีตำบลตันีอำเภอตันีจังหวัดตันีภาคตันีประเทศบางคนก็ตันีโลกใบนี้เลยตันีห่วงไม่อยากให้คนที่เราไม่ชอบมาอยู่มาอาศัยที่อยู่ของเราตี่ตนี เนตนีถิ่นสองตณีตระกูลสัพพะเาเรียกกุลละมัชริยะคาว่าตณีตระกูลในที่นี้ก็คือตณีญาติถ้าเป็นพวกพระก็ถ้ามีญาติยมมาศรัทธาก็ตณีไม่อยากให้เป็นศรัทธาคนองค์คนอื่นเนี่ยองคอื่นเนี่ยก็หวงเห็นไหมเนี่ยถ้าพระยังละตณีไม่ได้ก็จะตณียอมก็ตณีพวกไงนั้นถ้าภาษาปัจจุบันเขาเรียกว่าเล่นพักเล่นพวกเคยได้ยินคำนี้ไหม ก็คืตนหนีพวก ก, กัลยาณมัชยริยะประการที่สามก็คือลาภมัชยริยะตนหนีลาบลาภอันนี่ก็คือผลประโยชน์หลายคนว่าเอผลประโยชน์นี้ควรได้แก่เราแลยพวกพ้องเท่านั้นผลประโยชน์นี้ไม่ควรตกถึงคนอื่นก็ตนหนีเนี่ยต น, นีผลประโยชน์ประการที่สี่ก็วันนะมัชยริยะเคยด้ยินคํานี้ไหมวันนะแปลว่าสีผิว สีผิวก็บางคนจะหนีความสีผิวก็ได้แต่จหนีความงามก็ได้ไม่อยากให้คนอื่นงามกว่าตัวเองเคยไหมล่ะ ว, ว่าเรามีคนงามกว่ามานั่งอยู่ในที่นี้รู้สึกอึดอัดขึ้นมาทันทีเลยอย่างี้จะหนีงั้นบางคนก็ไม่เป็นแต่บางคนเป็นแล้มันมีคนคนบางคนเขามีความงามมีชื่อเสียงมาอยู่ในที่นี้ยอมจะนหนีไหมหรือยินดีกับเขา ถ้าต์ น, นีด้วยห่วงแล้วก็ลิษยาไม่อยากให้เขามานั่งอยู่ตรงนี้นานพอมานั่งอยู่ตรงนี้นานแล้วรู้สึกว่ามีแต่คนมองเขาไม่มองเราเนี่ยลักษณะอย่างเนี้ยเขาเราียกว่าต์ น, นีไม่พอลิษยาด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือต์นหนีเกียรติคุณใช่ไหมอันเดียวกันเนี่ยสีผิวก็ได้เกียรติคุณชื่อเสียงอยากให้คนยกย่องตัวเราเองพวกพ้องไม่อยากให้ไปยกย่องคนอื่นบางครั้งถ้ามีคนยกย่องคนอื่นที่เราไม่ชอบโอ้โหรู้สึกมัน ไม่สบายใจขัดเคืองอยู่ตลอดเวลาไอ้กรณีแบบเนี้เขาเรียกตันนีสุดท้ายเขาเรียกว่าธรรมมัรชริยะตั น, นีข้อมูลคําว่าตั น, นีข้อมูลในที่นั้นก็คืออะไรปัจจุบันเวลาเราคิดอ่านอะไรได้แล้วก็จดลิขสิทธิ์ไม่อยากให้ใครมาขโมยลิขสิทธิ์ของเราหรือเอาลิขสิทธิ์ของเราหรือผลิตผลทางปัญญาทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยปุ้ดชนก็ตันนีห้าอย่าง หนึ่งตนีทินที่อยู่สองตนีพวกพ้องเล่นพรรคเล่นพวกสามตณีลาบสกาละหรือผลประโยชน์สี่ก็ตนีวันะหรือสีผิวเป็นต้นหรือเกียรติยศชื่อเสียงห้ากตณีต น, ตนีข้อมูลความรู้รู้ข้อมูลอะไรแล้วก็ไม่อยากให้คนอื่นรู้เมื่อคนอื่นรู้ขึ้นมาเดี๋ยวเขาจะฉลาดกว่าเราเขาจะเข้าถึงแหล่งข้อมูลมากกว่าเราก็เลยห่วงเนี่ยพระรูปนี้ท่านก็เป็นเพราะความเป็นบุรุษชนนี่แหละ ท่านเลยตนีอะไรไหมหนึ่งจนีที่อยู่แล้วไอ้นี่วัดเราสองจนีพวกอีกแล้วตนีญาติโยมที่มาศรัทธานี่ญาติโยมของเราสามจนีอะไรอีกตนีลาภผลประโยชน์เราอยากจะได้ผลประโยชน์ไม่อยากให้พระรูปนี้มาได้ผลประโยชน์สี่ก็ตนีชื่อเสียงทําไมเขาไม่ชมเราทําไมมาชมพระมาใหม่สี่ก็คือตําหนีธรรมะทาไมไปฟังข้อมูลกับพระรูปนี้ทําไมไม่ฟังข้อมูลกับเราเกิดความตหนีด้วยหวงด้วยแล้วก็ลิษ ย, ยาด้วยแล้วทำยังไง พอมาอยู่นานเข้ายอมก็เข้าหาพระรูปนี้นานขึ้นนานขึ้นเป็นปัญหาไหมปัญหาตามมาทีนี้พอปัญหาตามมาทีนี้นะท่านก็เริ่มวางแผนวางแผนไม่ได้วางด้วยปัญญาบางคนมันจะอย่างนี้ยอมบางคนใช้ปัญญาไปไ ป, ไ ป, ไปรับใช้กิเลสยอมก็เห็นไหมคนบางคนใช้ปัญญาไปไ ป, ไ ป, ไปรับใช้กิเลสคือปัญญาสามารถคิดเรื่องดีๆได้แต่ปัญญาไปคิดเรื่องดีๆเพื่อยอมจำนนต่อกิเลสในใจตัวเอง เพื่อให้กิเลสตนเองได้สมประสงค์ได้สมหวังเนี่ยคนมางคลเป็นแบบนี้พารูปนี้ท่านก็คิดเหมือนกันเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะไปบินธบาตโดยไม่โดยไม่ไมนิมนพารูบนี้ไปด้วยนี่วางแผนแล้วนะกลางคืนวางแผนแล้วนี่สองถ้าเราไปเนี่ยปกติเราจะต้องตีะระฆังใช่ไหมเป็นอนัสสัญญาณตีะระฆังที่ได้ะระฆังได้เวลาไปบินธบาต ท, ท่านก็นึกในใจว่าเอาละเราจะใช้ปัญญาขี้โกงของเราเนี่ย แทนที่เราจะเอาไม้ไปตีะระฆังแต่ท่านจะใช้เล็บไปดีดดีดะระฆังก็ถือว่าตีเหมือนกันใช่ไหมใช้เล็บไปดีดะระฆังแก๊กแก๊กก๊กนี่ดีดจเจ็บมือหน่อยแล้วก็เดินพระก็ไม่ได้ยินอยู่แล้วใช่ไหมก็ใช้เล็บมือไปดีดดีดดีดะระฆังพอเจ็บมือแล้วท่านก็เดินบินนบัดเหตุผลที่ท่านวางแผนอย่างนี้ท่านกล่าวว่าเมื่อโยมถามว่าทาไมพระรูปหนึ่งไม่มาท่านจะได้พูดพูดเปรียบเลย ให้โยมได้หมดศรัทธากับพระรูปนี้ถามว่าการวางแผนในลักษณะนี้วางแผนด้วยจิตใจ ด, ดีหรือไม่ดีจิตใจที่ไม่ดีจิตใจเป็นเป็นกุศลหรืออกุศลบอกอกุศลเนี่ยก็เดินไปพอเดินไปมาเจอยอมอยู่กันเป็นกลุ่มยอมก็ถามทั้ทีว่าพระคุณเจ้าพระอีกรูปนึงทําไมไม่มาพระรูปนี้ได้จังหวะแล้วบอกอ๋อเมื่อวานคงจะฉันอาหารอันปราณี้ที่ยอมเอาไปถวาย คงจะหลับไม่ตื่นอาตมาก็เคาะระฆังจนเจ็บมือแล้วเนี่ยก็ยังไม่เห็นมาเลยเอเลยอช่แท้จริงไม่ได้ใช้ไม้ะระฆังหรอกใช้เล็บไปดีด ด, ดีดีดอย่างเงี้ยยอมก็นึกในใจว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกเจ้าข้ายอมเองถ้างั้นดิฉันขอถวายอาหารส่วนเนี้ยฝากไปถวายท่านด้วยท่านอาจจะไม่สบายก็ได้ พาลูกนั้นมีความรู้สึกยังไงอ่ะชื่นใจหรือเสียใจเสียใจอย่างมากเลยนึกในใจโอ้โหแผนที่คิดมาตั้งครึ่งคืนนี่พังวันนี้ละแทนที่ยอมจะรังเกียจยอมดันไปมีน้ำใจอีกใช่ไมไปมีน้ำใจในการที่จะเอาอาหารไปให้ภัยนึกในใจไม่รับมาก็ไม่ได้เดี๋ยวยอมไม่ศรัทธาก็รับมาด้วยความแค้นเคืองเลยยอมดันเนี้ยเคืองมากโกรธมาก ยอมเคยเป็นไหมแบบเนี้ยยอมเคยโดนฝากให้ฝากของไปให้คนที่เราเกลียดไหมในชีวิตเคยเจอไหมเราเดินผ่านไปเขาบอกอ้าวช่วยฝากของไว้ให้คนนั้นหน่อยเขานึกว่าเราชอบคนคนนั้นแต่เราเกลียดที่หน้าคนคนนี้เหลือเกินเนี่ยนั้นโะยน ม, มีความสึกยังไงเนี่ยนี่เหมือนกันท่านก็รู้สึกโอ้โหขัดเคืองมากอยากจะโยนทิ้งก็กลัวว่าสุนัขมากัดกินขึ้นมาเดี๋ยวคนมาเห็นก็นจำไม่รู้ว่าเราทิ้งอาหาร เดินไปก็คิดเลยเราจะไปทิ้งที่ไหนนะไปทิ้งที่ไหนนะจิตใจคิดประทุสลายคิดจะทําลายทรัพย์ที่เป็นของคนอื่นไม่ใช่ของตนเองเนี่ยสังเกตได้ดีนะยมนะทรัพย์นั้นน่ะญาติ ย, ยอมเขาเาน้อมถวาให้อีกรูปหนึ่งแต่ตนเองได้ทรัพย์มาแล้วเนี่ยจะเอาไปทิ้งจะไปทําลายเนี่ยใจได้เกิดลิษยาใจที่เกิดอาฆาตพยาบาทจิตใจที่คิดอยากจะทําลายทรัพย์ของเขาอันนี้เจตนาที่เป็นกรรมข้อไหน ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จหรือว่าดื่มน้ำเมาข้อไหนเนี่ยทำลายทรัพย์ของคนอื่นเนี่ยเป็นข้อไหนอธินาทานเนี่ยข้ออธินาทานเห็นชัดไหมเนี่ยข้อที่สองเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วเพราะมันเป็นของเขาที่เขาฝากไปแต่เรากลับจะคิดทำลายของเขาแล้วทรัพย์นั้นเขาทาถวายแกพระด้วยแกพระหักนด้วย โอ้โหเนี๋ยตนเองวิญบุชนไม่รู้่ความโง่ความไม่รู้ด้วยสติปัญญาตนเองก็ไม่มีอ่านสถานการณ์ไม่ออกมองไม่รู้ว่าท่านบุญนี้มีคุณหรือไม่มีคุณเนี่ยด้วยความไม่รู้นี่แหละให้ความมืดบอดเห็นแก่ลาบส ก, กาลาพิงเล็กๆน้อยๆนี่แหละด้วยความไม่รู้เนี่ยไปและเดินเดินเดินเดินไปคิดตลอดเวลาเจตนาปทุศร้าเจตนาที่คิดทําลายทรัพย์พระหรหันเกิดขึ้นตลอดเวลาไม่รู้กี่ล้านล้านพันขณะนะโอ้โหมากมายมากมากรรมตอนนั้นเนะ่ะรุนแรงมากเดินไปเดินไ ป, ไปก็ไปเห็น กองไฟลุกโชงโฉงชดขึ้นก็สะใจเหลือเกินแต่เนี้ยทำลายหลักฐานได้ดีที่สุดแล้วอยากกินเลยโยนฟึกบเข้ากองไฟแล้วก็เดิอดูคอยดูไฟมันไหม้ด้วยความสะใจยอนะมเนไหมให้มันหมดก่อนมันจะได้ทำลายหลักฐานใช่ไหมไห ม, ม่ดูด้วยความสะใจบอกโอ้โหสะใจแล้วเดินกลับวัดเลยหิวก็หิวโกรธก็โกรธค่อยๆคล า, ายความโกรธไปนิดนึง พอกลับมาถึงด้วยความหิวยอมปกติเวลายอมหิวข้าวยอมกับความโกรธมาด้วยกันไหมโดยส่วนใหญ่หิวกับโกรธเนี่ยน่าแลงภาษายอมเขาเรียกโมโหหิวที่จริงโมโหศัพท์นี้เขาแปลว่าโมหะแปลว่าหลงนะไม่ใช่แปลว่าโกรธนะโมหะเนี่ยโมโหเนี่ยถ้าโกรธเนี่ยมาจากรรมโทโสโทสะเนี่ยแปลว่าโกรธถ้าโมหะแปลว่าหลงแต่ภาษาไทยเราโมโหเนี่ยแปลว่าโกรธอันนั้นเป็นภาษาไทย ทนี้พอถึงมาถึงเสร็จก็รีบฉันอาหารฉันฉันแต่ด้วยความที่ท่านเป็นคนมีคุณธรรมนะไม่ใช่ไม่มีนะพอเริ่ม อ, อิ่มปุ๊บพอความโกรธหายวับไปธรรมะเกิดขึ้นในใจท่านสะดุ้งในใจว่าโอ้โหเราทำอะไรไปเนี่ยเอย๊หรือท่านจะป่วยจริงๆเข้าใจไหมตกใจเลยนะเนี่เราคิดโอ้โหปุงแต่งมาตั้งหลายตั้งแต่กลางคืนเลยเนี่ย จนถึงไปทำลายอาหารท่านเนี่ยโอ้โหตกใจรีบเดินไปไปเปิดประตูห้องที่พระท่านอยู่พอไปเปิดปุ๊บไปเคาะประตูก็เงียบเปิดประตูปุ๊บผลปรากฏพระไม่อยู่แล้วเก็บเสนาสนะเรียบร้อยท่านสุดเลยนะท่านนึกในใจโอ้โหท่านไม่ใช่พระธรรมดาแล้ว ท่านต้องรู้ว่าละจิตเราแน่นอนถ้าเราท่านคงอนุเคราะห์เราท่านคงกลัวเราตกนรกแน่นอนเนี่ยท่านหนีไปแล้วทุกไหมกลับมาทกุกมาทกทุกเครียดเครียดนะขา้านะขา้าอ้วกอ้วกป่วยตรอมไม่ออกเอายอมเอาอาหารมาให้ไม่พูดไม่จาแล้วเครียด ท่านทำอะไรลงไปทําอะไรลงไปใช่ไหมหนักข้าวนักข้าก็เจ็ดแปดวันท่านก็มรณะนะตายปุ๊บไปเกิดเป็นอะไรรู้ไหมโยมไปเกิดเป็นสุนักไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วอดอยากไม่ได้กินอาหารเลย เกิดมาปุ๊บไม่เคยได้กินอะไรเลยตายจากสุนัขเกิดเป็นสุนัขตายเ ก, กเกิดเป็นสุนัขเกิดเป็นสุนัขติดต่อกันอย่างเงี้ยห้าร้อยอัตภาพอัตภาพที่ห้าร้อยโมใกล้จะตายแล้วมีคนเมามาอ้วกเพราตัวเองใกล้จะตายได้กินอาหารได้กินที่เขาอ้วกมา ครั้งเดียวเท่านั้นเองเกิดมาทั้งชีวิตได้กินอาหารมื้อเดียวที่อิ่มท้องนอะนอกนั้นจะกินทีนนนละนิดละนิดแล้วก็อิ่มแล้วก็ตายนี่นะห้าร้อยนะพอจากสุนัขปุ๊บไปเกิดเป็นมนุษย์ประเภทหนึ่งเรียกพวกยักษ์ยักษ์มันชอบชอบกินของสกปรกเป็นเหมือนมนุษย์อยู่ในป่าพวกพวกยักษ์เน่ะพวกอมนุษย์เป็นยักษ์เนี่ย ไปเป็นยักษ์ไม่เคยได้กินอิ่มเลยนะทุกอัตภาพเลยปุ๊บปุ๊๊ป๊บอีกห้าร้อยอัตภาพอัตภาพที่สุดท้ายได้ไปกินรกสมัยโบราณเวลาคนคลอดเนี่ยเขาจะเอารกไปฝังดินรกของเด็กเนี่ยเอาไปฝังดินไว้ท่านก็ไปไออมนุษย์ตัวเนี้ยก็ไปคุยคุ ย, ค, ยคุยมาเอารกนะ่ะมากินได้อิ่มเพราะอิ่มหนึ่งก็ตายนี่อัตภาพที่ห้าร้อเป็นหนึ่งพันหนึ่งพันอัตภาพแล้วนะหนึ่งพันชาติแล้วนะ ต่อมาก็มาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์แล้วนะแต่เนี้ยแต่เกิดในตระกูลขอทานเนะี่ยอีกห้าร้อยชาติพันห้าร้อยชาติไม่เคยได้กินอิ่มเลยไม่เคยได้กินอิ่มเลยมาชาติที่สุดท้ายมาเกิดในตระกูลขอทานนะในตระกูลขอทานเ็าเรียกห้าร้อยตระกูลนะโยมห้ารอยตระกูลพอไปเกิดปุ๊บในตระกูลขอทาน ตระกูลขอทานกลุ่มนี้พระลาชาจ ะ, จะอุปการละแต่พอมาเกิดปุ๊บเนี่ยพระลาชาลืมเลยเนี่ยดูบาประกรรมของคนคนเดียวนะเบียดเบียงปิดบังคนตั้งห้าร้อยตระกูลเนี่ยทำให้อดอยากทั้งหมดเขาก็พากันอีเป็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยพากันคัดคัดคัดไปเจอคนท้องเออสงสัยเนี่ยมีคนท้องกี่คนก็คัดเอาไว้แล้วก็ไปคัดแยกแยกไปเรื่อยๆไปไว้ที่อื่นที่สุดจริงๆจร ง, จ ร, งรู้ว่าอ๋อเนี่ย อีกคนคนนี้เขาก็ไล่ออกจากพอไล่ออกจากตระกูลขอทานไปขอทานเขาก็มีคนมาดูแลแม่ที่มีท้องเนี่ยตั้งครรภ์นเนี่ยไม่เคยได้กินอะไรอิ่มเลยตั้งแต่ลูกคนนี้มาอยู่ในท้องแล้วที่ประหลาดที่สุดก็คือทํายังไงมันก็ไม่ออกเช่นกระโดดเอาท้องไปกระแทกกับต้นไม้บ้างกระแทกกับหินบ้างก็ะจะให้ลูกมันแท้งออกมาเนี่ยพรารู้ว่าไอ้ลูกในท้องเนี่ยมันบาปเยอะนะแต่ทําไมไม่ตายอ่ะ พ่อไม่เคยทํากรรมบปฏิบตัตแต่มันทําอธินาทานเข้าใจอ้ยังมันผิดศีลแค่ข้อสองไโย่ข้อแรกไม่ผิดเนื้อข้อแรกมันไม่ผิดใช่ไหมมันถึงอายุยืนไงเขาจะไอ้ยังแต่ข้อสองเนี่ยมันผิดเพราะไปโกงเนี่ยในอดีตเนี่ยไอ้กรรมตัวเนี้ยทำให้ตัวเองอดอยากเข้าใจนะโยมนะเนี่ยยอมสังเกตเรื่องกรรมไม่ดีเวลามันให้ผลมันให้ผลตรงกันแบบนี้แหละทีนี้พอต่อมาก็ต้องทนจนท้องโตแล้วก็คลอด พอคลอดออกมาก็ต้องเลี้ยงมันลูกไงแต่เลี้ยงเลี้ยงหูด้วยความลําบากมากในที่สุดจริงๆพอมันเดินได้พอเด็กคนนี้เดินได้พูดได้ไปเสร็จปุ๊บก็บอกเลยบอกลูกเอ้ยแม่อยู่ด้วยไม่ไหวตายก็ปล่อยเด็กไปแล้วหนีไปเลยผู้หญิงคนนี้ก็หนีทิ้งลูกไปเอเด็กคนนี้ก็เดินไปเรื่อยหาเก็บเข้าไปในกองขยะแล้วก็ลูดกองขยะกิน เศษอาหารที่มันติดอยู่ตามกองขยะเนี่ยก็รูดกินรูดกินไปเรื่อยๆรๆๆรืืเยอจนโตขึ้นมาจะได้เยอะแปดเก้าขวบและก็ยังเป็นเด็กเก็บขยะกินอยู่งั้นแหละมีอยู่วันหนึ่งพระสารีบุตรยอมจำได้ไหมเป็นอัครส า, าวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปวินา บ, บาตไม่เห็นไม่เห็นเด็กคนเนี้ยเห็นปุ๊บก็ประพิจารณาท่านมีปัญญาเห็นพิจารณาอดีตโอ้โหตกใจเลย โอ้โหกรรมมแรงขนาดนี้คนคนนี้แต่เห็นอัจยาใสที่จะบรรลุธรรมไงภาษาลีบทดก็ถามว่าหนูอยากจะบวชไหมอยากบวชครับภาษาลีบทดก็เลยเอามาแล้วก็มาบวชให้พอบวชให้เป็นสมัมมณเณรนะแล้วก็ไปที่ไหนอดอยากที่นั่นไม่เคยได้กินอิ่มเลยนะเนี่ยอดอดอยากๆยากไม่เคยได้กินอิ่มกินได้ทีลนะนิดละหน่อยจนบวชเป็นพระ และในที่สุดจริงๆเนี่ยท่านประพฤติปฏิบัติจนได้บรรลุขนาดได้บรรลุก็ก็ไม่เคยได้กินอิ่มเลยเนี่ยมีวันหนึ่งเดี๋ยวเล่าอีกทีนี้ในวันที่ท่านจะนิพพานเนี่ยโยในวันที่ท่านจะนิพพานคือแปลว่ากระแสชีวิตท่านจะหมดแล้วท่านจะหมดการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเนี่ยวันนั้นเนี่ยภาษารีบุตรมาเห็นท่านกลับมาเจอกันก็เลยมาชวนท่านว่า ให้ไปบิณธบาติด้วยกันพระรูปนี้ก็เดินตามอาจารย์นะคือพระสารีบุตรเป็นอาจารย์เนี่ยเดินตามแล้วท่านก็จะลิกไปบินธบาติเชื่อไหมวันพระสารีบุตรเนี่ยมีกําลังกุศลบําเพ็ญมาตั้งหนึ่งสงไข่เนี่ยแต่เวลาเดินไปไหนเนี่ยมองมีพระรูปนี้เดินตามหลังเนี่ยไม่มีญาติโยมคนไหนทักท่านเลยและไม่มีใครใส่บาตรท่านด้วย เดินวนเนี่ยรอบตั้งหลายรอบก็ไม่ได้อาหารท่านก็เลยบอกว่าโอ้โหบาปรกรรมท่านแรงเหลือเกินนี่เล่นอาจารย์พลอยอดไปด้วยเนี่ยนะก็เลยบอกว่างั้นให้ให้ท่านไปรออยู่ที่โรงฉันเอพอเอาไปไว้ที่โรงฉันเบียเสร็จปุ๊บพระเทล่าก็เดินเลยไปเพราะห่างรัศมีของอพระรูปเนี้ยมีแต่คนทัก มีแต่คนทักภาษาอิบุตรทักเต็มไปหมดเลยตอนนี้ท่านก็ฉันอาหารยอมก็รับบาทรับอะไรข้าพาเข้าไปในบ้านแล้วก็ฉันอาหารทีนี้ในระหว่างที่ฉันอาหารอยู่นั้นท่านก็เลยปรารภถึงลูกศิษย์เนี่ยที่ยังไม่ได้กินอาหารเนี่ยญาติยอมก็เลยจัดอาหารให้พอจัดอาหารให้เบีเสร็จก็มียอมคนหนึ่งท่านจะเดินผ่านไปทางนั้นพอดีก็เลยบอกว่า งั้นคุณเดินผ่านไปเนี่ยช่วยนําอาหารไปถวายพระรูปหนึ่งที่นั่งอยู่ที่โรงฉันนั้นด้วยทีนี้โยมคนนั้นบาศกคนนั้นก็รับปากแล้วก็ถือไปพอถือเดินไปได้ระยะหนึ่งด้วยบาปประตำของพระรูปนี้นะบาปมันให้ผลไอ้เจ้าคนนี้ถือไปเนี่ยไปเห็นกองไปเอ๊ะแล้วเราจะถือมาทำไมเนี่ย จะถือมาทำไมเนี่ยเอออาหารเนี่ยมันหนักมือไม่มีประโยชน์เราก็ไม่ได้หิวอะไรเลยใช่ไมเลืมหมดเลยนะที่เขาบอกฝากอะไรมาเนี่ยเห็นกองไฟก็โยนเข้ากองไฟดูได้สักพักนีงก็เดินกลับบ้านไปภาษาริบุตก็กลับมาพอกลับมาก็เห็นลูกศิษย์นั่งนั่งอยู่ก็เลยถามบอกว่าคุณคุณฉันอาหารอิ่มแล้วหรือ ย, อยัง ท่านก็บอกว่าไม่ได้ฉันโอ้โหเวลาใกล้หมดแล้วภาษาทีบุญเอองั้นงั้นคุณรอตรงนี้แหละท่านรีบเดินมันมันใกล้จะเที่ยงแล้วใช่ไหมท่านรีบเดินเข้าเข้าในวังในเดินในโลกเข้าในพระราชวังเลยเนะก็คือเข้าในวังของพระเจ้าเปอร์เสซนที่โกศลนะเข้าไปเลยพระเทพระราชาเห็นพระเถหละเข้ามาอย่างนั้นก็ถามท่านก็บอกว่าท่านต้องการอาหาร เขาก็มีพกเขาต้มให้ใส่บาตรท่านบอกต้องการไปนอนุเคราะห์ลูกศิษย์ท่านก็เดินกลับเดินกลับมาทีนี้พอเดินกลับมาเวดเสร็จท่านก็บอกพร ะ, พระที่ท่านรออยู่เนี่ยท่านทําท่าจะเทอาหารใส่บาตรแต่ท่านเป็นคนมีสติสัมรชัญญาดีท่านก็ระลึกก่อนว่าเอ๊ะถ้าเราเทอาหารเข้าไปเนะี่ยอะไรจะเกิดขึ้นท่านพิจารณาเห็นโอ้โหบากปรกรรมแรงมากถ้าเทอาหารลงไปปุ๊บอาหารจะหายปุ๊บทันทีเลย คือจะไม่ได้กินข้าวเลยในพระรูปนี้ยท่านต้องทํำยังไงรู้ไหมโยมท่านต้องอธิษฐานด้วยฤทธิ์ของท่านอาศัยกําลังของสมาบัติแล้วก็ถือบาตรไว้แล้วก็บอกให้ลูกศิษย์ท่านที่เป็นดอกคุณคุณตักอาหารกินนะทัางนั้นคุณจะไม่ได้กินมื้อสุดท้ายนี้แล้วท่านก็อธิษฐานด้วยกําลังฤทธิ์ของท่านด้วยกำลังบุญของท่า น, ล น, านแล้วจับบาตรของท่านไว้แล้วก็ให้ลูกศิษย์กินตักอาหารในบาตร ถ้าเทใส่บาตรอาหารจะอันตรธานด้วยบาปรกรรมฤทธิ์ตามไม่ผลแต่ถ้าท่านถืออย่างนี้มันเป็นบุญของพระเถระกําลังฤทธิ์ของพระเถระประคองกันบาปรกรรมนั้นไว้พระเถระก็ถือบาตรระลึกเข้าสมาบัตรลูกศิษย์ก็ตักอาหารฉันเพราะฉันได้อิ่มเบ็ดเสร็จปุ๊บก็กระแล้วก็ทําวัดทําวัดในนี้คือกราบเท้าพระอาจารย์กราบลาวว่าท่านจะนิพพานวันนี้แล้วขอบ ขอบคุณผ้าจาย์มากขอบคุณพาาา ร, ณระเถระมากที่มาอนุเคราะห์ให้ข้าพเจ้าได้กินอิ่มเนี่ยบา ป, ปรกรรมเนี่ยมันตามให้ผลข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ปรารถนาการเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วอัถภาพนี้เป็นอัถภาพสุดท้ายขนาดท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์บาปมันยังตามให้ผลอย่างนี้เห็นไหมนี่เหตุกรรมของอธินาทานเริ่มเห็นเลยอย่างว่ามันหนักหนาสาหัสขนาดนี้เนี่ยอดตายมาไม่รู้กี่อัถภาพ พันห้าร้อยอัตภาพที่ท่านต้องทนทุกข์ทรมานมาเพราะบาปรกรรมนี้แล้วมันยังไม่หยุดให้ผลท่านถึงบอกว่านิพพานจบการเวียนว่ายตายเกิดทีบาปมันยังได้ไม่ตามให้ผลท่านอีกต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่าหักกรรมแห่งสังสารจาจักแล้วท่านกราบลาอาจารย์เบีเศ็จก็หันหน้าไปทางพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบลาพระเจ้าก็นั่งปรินิพานเนี่ยท่านพ้นทุกข์แล้ว ที่เอามายกเรื่องนี้มาเห็นวัง น, นี้ไงคําว่าหนึ่งการไม่ให้ทานสองกรรมเกี่ยวกับเรื่องของอทินนาทานมันบวกกันเนี่ยเวลามันให้ผลมันเจ็บปวดอย่างนี้เห็นไหมครับว่าอดตายเพราะไม่ได้ให้ทีนี้กลุ่มที่จะต้องอุบัติเหตตายนะี่หรือตายก่อนกําหนดอย่างปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่า เจ็ดสิบห้าปีเป็นอายุไขนะอย่างคุณแม่อรารยาเนี่ยแปดสิบสองอย่างนี้เขาเรียกว่าเกินอายุไขคนที่อยู่ได้เกินอายุไขแปลว่ากำลังกุศลศีลเขาดีนะศีลดีแบบนี้งั้นคนที่มีกำลังของศีลดีเนี่ยคุณภาพชีวิตดีๆหนึ่งศีลข้อแรกใช่ไหม คนที่ศีลข้อแรกดีเนี่ยจะไม่ประสบอุบัติเหตุจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนใช่ไหมเพราะการไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์เนี่ยจะทําให้มีคุณภาพชีวิตดีโรคภยครัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนอายุยืนอายุยืนใช่ไม่ใช่แต่ถ้าใครฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ลังแกสัตว์จะมีโรคภยครัยไข้เจ็บมากแต่ถ้าใครฆ่าสัตว์ให้ตายก่อนกําหนดคนนี้จะอายุสัน้น อุบัติเหตุการตกต้นไม้ตายอะไรก็แล้วแต่หนักเข้ากับค่าตัวตายอะไรก็ว่ากันไปเลยเนี่ยถือถึงไงก็ต้องทําร้ายตัวเองหรือไม่อย่างนั้นคนอื่นก็ทำร้ายหรือไม่อย่างนั้นก็ต้องตายอย่างใดอย่างหนึ่งกอนอายุไขอย่างนี้เป็นต้นเพราะไปทําเขาไ้ก่อนอายุไขนี่กลุ่มปฏิบาตถ้ากลุ่มอาทินนาทานกลุ่มที่ทําลายท ร, รัพย์ของบุคคลอื่นอย่างที่ยกตัวอย่างมาที่เป็นพระเถระเนี่ยในอดีตที่เคยเป็นพระเนี่ยขนาดอดีตเคยเป็นพระนี้เนี่ยเนี่ย ถ้าไปผิดศีนข้อนี้ก็คือว่าธุรกิจการค้าการลงทุนทั้งหลายเจ๊งสังเกตด้นะทําก็เจ๊งทําก็เจ๊งต้องให้ฉลาดก็เเชงก็ะเชงแต่ถ้ากลุ่มนี้ดีๆหน่อยทําอะไรมันก็ขึ้นเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยพวกไอทานกุศลดีด้วยแล้วก็ศีลข้อสองดีด้วยบวกกันด้วยเก่งบวกเฮงเนี่ยโหอย่างเงี้ยทําอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองหาทรัพย์ก็หาได้ง่ายไม่ลําบากไม่ลําบากเลยใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าข้อแรกเสียเอาแล้วทั้ง อดคำว่าจนเนี่ยย่ามันจนถึงไหนว่าคำว่าไม่มีน้ําในตู้เย็นมีไหมไม่มีอาหารมีไหมไม่มีเสื้อผ้าอย่างนั้นมันคือมันไม่มี้คําว่าไม่มีเนี่ยโวมันแสนสาหัสมากแต่กรณีที่กุศลศีลข้อสองดีด้วยการให้ทานดีด้วยที่จริงการให้ทานก็ไปต้องไปแยกแยะด้วยนะยกตัวอย่างเช่นนะว่าคนบางคนเวลาได้ของอะไรมาก็ได้ของที่สะอาดของที่ ของที่ดีของที่เลิศของที่ประเสริฐได้ลูกได้บุตรได้หลานได้ญาติมิตรต่างหลายพวกนี้คนเขาให้ด้วยศรัทธานั้นการให้การสละบางคนให้ด้วยศรัทธาก็คือจิตเขาเลื่อมใสจิตเขาผ่องใสใช่ไหมจิตผ่องใสจิตเลื่อมใสจิต ป, ปลอดโปร่งโล่งเบาเวลาให้เวลาสละเนี่ยจะได้อะไรก็จะได้แต่ของที่ดีๆของที่เลิศเลิศแต่ถ้าให้ด้วยใจที่เศร้าหมองให้ด้วยใจที่ไม่ศรัทธาได้เหมือนกัน บ้านก็ บ, บ้านไม่ค่อยสวยรถก็รถไม่ค่อยสวยอะไรเงี้ยนะมันจะได้ของได้บุตรได้ภรรยาได้สามีก็นหน้าตาไม่ค่อยดีนี่มันมาจากการอะไรจากการยึดจิตของเราไม่ผ่องใสฉะนั้นวิธีอยากจะได้ของดีๆคือเวลาทําเนี่ยสมมติเราจะถวายไม่ได้ถวายในของเครื่องธยาธรรมทั้งหลายเนี่ยนอกจากมีของดีข้างนอกไม่พอเนียใจต้องเลื่อมใสด้วยทําจิตใจให้ใจเหมือนกับมีแก้วมณีอะอมยอมก็เห็นแก้วมณีที่มีแสงสว่างไหม แล้วจุ่มลงไปในน้ำาอน้้ำก็จะใสขึ้นมาเลยเนี่ยถ้าใครทำใจให้ใสยอย่างนั้นได้ในการให้ในการสละจะได้แต่ของดีๆนอกจากได้ของแล้วไม่ไม่ใช่ของที่มันมีตำหนิเป็นของที่เลิศของที่ดีนี่นี่ประการที่หนึ่งแต่ถ้าใครอยากได้ของที่ไม่ดีก็ทำจิตขุนมัวในการให้ก็ก็แค่นี้เองประการที่สองถ้าเราต้องการอยากจะให้ด้วยความนอบน้อมยอมเคยเห็นไหมให้ด้วยความนอบน้อม คำว่านอบน้อมก็คือให้ด้วยจิตที่อ่อนโยนนะไม่ใช่นอบน้อมทางกายอย่างเดียวเคารพทางกายอย่างเดียวจะจิตอ่อนโยนจิตไม่แข็งกระด้างจิตสะอาดเอี่ยมอ่องไม่พอเนะจิตอ่อนโยนจิตเคารพจิตนอบน้อมเกิดความเชื่อมั่นเกิดเกินอ่อนโยนในการให้และการให้เขาให้ด้วยความอ่อนน้อมให้ด้วยความเคารพถ้าให้แบบนี้จะได้อะไรมีได้ของที่เลิศไม่พอได้บุตรได้ญาติมิตรได้สามีได้ภรรยามาเขาไม่กระด้างกระเดือง เขาจะเชื่อฟังเขาจะทำตามจำทำอะไรไม่ขัดใจเรายอมเป็นไหมยอมอยู่ที่บ้านเนี่ยลูกก็ตามใจพ่อก็ตามใจแม่ก็ตามใจสามีตามใจภรรยาตามใจไม่มีใครขัดใจเราเลยแสดงว่ากูสอนข้อนี้ดีกูสอนจากการให้ด้วยความนอบน้อมใช่ไหมให้ด้วยความนอบน้อมให้ด้วยความเคารพแต่ถ้าต้องการอยากให้ได้บุตรหลานญาติมิตรบุตรภรรยาสามีตลอดถึงลูกน้องเขาก็ด้างกระเดืงองย่อมก็ทำจิตแข็งกระด้างในการให้ให้อย่างนั้นแหละให้แบบจิต ก็ด้างกระเดืองไม่เคารพไม่นอบน้อมสักแต่ว่าให้ให้ส่งส่งไปเงี้ยทําอย่างนี้ยอมทัดลองได้เลยแล้วยอมก็จะได้บุตรหลานญาติมิตรสามีภรรยาทั้งหลายที่เขาก็ด้างกระเดืองพูดคํานึงก็เถียงห้าคำเคยเจอไหมล่ะพูดคําเถียงห้าคำเถียงสิบคาพูดให้ทําอีกอย่างก็ไปทําอีกอย่างเขาขัดใจทุกเรื่องเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราทําด้วยจิตกระด้างกระเดืองนี่ประการที่สองนะประการที่สามให้ที่เป็นการละทานคําว่าการละทานก็คือให้ถูกกาลเวลา เช่นหน้าร้อนควรให้อะไรหน้าหนาวควรให้อะไรหน้าฝนควรให้อะไรคนป่วยควรให้อะไรคนแก่ควรให้อะไรคนเป็นหนุ่มสาวควรคือให้ถูกการถูกเวลาถูกบุคคลคนเป็นโรคเบาหวานควรให้อะไรคนเป็นโรคความดันควรให้อะไรคนเป็นโรคไตควรให้อะไรคนเป็นโรคตับควรให้อะไรเป็นโรคปอดควรให้อะไรเนี่ยคือให้ถูกการถูกเวลาถูกบุคคลถูกจังหวัดการให้ในลักษณะนี้เขาเรียกเป็นการละทาน เป็นการละทานของอะไรที่ไม่ควรให้พระก็อย่าไปให้ใช่ไหมเช่นไปเอาโสุราไปให้พระอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผิดการเลยให้ไปอย่างนี้เป็นต้นกรณีแบบนี้เขาเรียกว่าให้ถูกการถูกเวลาแล้วจะได้อะไรอย่าเป็นคนที่หวังอะไรแล้วไม่ไม่ไม่ผิดหวังยอมสังเกตดูที่ชีวิตที่ผ่านมาระหว่างสมหวังกับผิดหวังอันไหนมากกว่ากันให้สังเกตดูนะถ้าเราคิดอะไรมันก็ได้มันมีสวรรค์อยู่ชั้นหนึ่งใช่ไหม นิมมานนลดีคิดแล้วได้คือคิดอยากจะได้วิมานวิมานมาอย่าคิดได้เสื้อผ้าเสื้อผ้ามายานพานะยานพานะอยากได้บริวารบริวารมาทันทีคิดเราได้ดังนั้นคนที่ปราถนาอะไรที่สมปราถนาเพราะให้การราทานหรือไม่ต้องคิดแต่มีคนรู้จิตเราอ่ะอันนั้นหนักใดในปริปรนิมิสวาสวัสดีไม่ต้องคิดเลยนะ ไปอยู่หน้าที่นั้นจะมีคนรู้รู้รู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเลยเอามาให้ตามที่เราต้องการตลอดเลยเนี่ยยัง ไ, งไม่ต้องคิดเลยอย่างนั้นก็ได้ฉะนั้นคนที่ถ้าปรารถนาอยากจะผิดหวังยอมก็ให้ของที่ผิดการลองดูนะเช่นคนเป็นโรคปวดหัวเรายาให้ปวดท้องไปให้เขาคนที่เป็นโรคปอดแล้วก็เอายาโรคตับไปให้เขาหน้าหนาวยอมก็เอา ถวายของบางบางอเสื้อบางบางไอ้น่าร้อนก็เอาเอาผ้าอุ่นผ้าหม่มกันหนาวไปให้เขายอมทาให้มันผิดการผิดเวลานะแล้วยอมจะได้อะไรผิดเวลาเวลาเช่นเช่นเวลาป่วยอะ่ะมีแต่คนเอาหารไปให้เต็มหมดไอเวลาที่กินไม่ได้อไอเวลาจะ่กินได้นั่งยังไงมันไม่มากันเลยนะอย่าป่วยนะพอป่วยมาโอโหมีอะไรรึเอามาฝากเต็มไปหมดใช่ไหมหรือตอนแก่แล้ว ตอนกินอะไรก็ไม่ได้แล้วโอ้ยลูกหลานเอามาให้จังเลยอาหารที่หมอก็ห้ามเนี่ยกินก็ไม่ได้เนี่ยมันผิดการผิดเวลาหมดจะได้แล้วก็ผิดเวลาหมดเช่นฝนตกอยากได้ล่มกลับไปได้รองเท้า่ไหมพอน้ำมันขังปราถนารองเท้าไปได้ล่มเนี่มันคนละเรื่องกันเลยนะไอ้สิ่งที่หวังมันไม่ได้ทีนี้ได้มันได้หวังไอ้ที่ต้องการเนี่ย เราอยากจะได้คนหน้าตาดีๆมาเป็นคู่ครองไม่ได้ไม่ได้หน้าตาที่ไม่ดีนี่นะนี่มันจะผิดเว ล, ลามเวลาผิดการเหมือนอย่างนี้นเรียก อ, อาการละทานยอมก็ฉลาดในการให้มีผ ล, ลไม้เึ็นมาให้ของถูกพระจะเดินทางให้อะไรก็แล้วแต่ฉลาดในการให้มากกว่านั้นรายละเอียดไม่ลงไปประการต่อมาคือให้แบบสละขาดกับให้แบบไม่สละขาดยอมบางคนสังเกตดูนะ บางครั้งเราถวายอาหารแกพระยอมไปเป็นไหมเล่า ว, ว่าเอาเอาหารถวายพระปุ๊บและเราก็คอยจ้องว่าพระต้องกินของเราถ้าไม่กินก็เคืองพระเพราะเพราะอะไรเราสลาขาดไหมใจมันไม่ขาดให้แล้วหวงเวลาเราให้จีวรแกท่านก็ท่านต้องใส่นะ มันหวงไงอยากจะให้ท่านทําอย่างที่ใจเราต้องการเนี่ยเยอะมากที่เราให้แล้วไม่ขาดหรือบางทีสมมติถ้าท่านเขาถวายจีวรพระพอพระจับจีวรเบร็ดเสร็จปุ๊บพระถามว่านี้เป็นของใครเป็นของพระพระบอกงั้นเป็นของอาตมาอาตมาทําตามใจอยากได้นะมีกองไฟอยู่โยนเข้ากองไฟปุ๊บโยนมีความสึกไงชื่นใจไหมเห็นไหมเนี่ยเพราะหวงไงเพราะไม่ขาด ที่จริงเป็นสิทธิของพระแล้วใช่ไหมพระเป็นพรอเราถวายไปแล้วถ้าเราถวายขาดกับถวายไม่ขาดมันต่างกันยังไงถ้าถวายไม่ขาดเวลาเราได้ได้ทรัพย์มาเยอะได้ทรัพย์ได้บุตรได้ภรรยาได้ของกินของใช้มาไม่กล้ากินไม่กล้าใช้ไม่กล้าแบ่งปันกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มปูโสมเฝ้าทรัพย์ยอมก็เห็นไหมนะบางคนไม่กล้าใช้เฝ้าอยู่นั่นแหละหวงอยู่นั่นแหละจนกระทั่งตายอ่ะหวง มีมีที่มีบ้านมีทรัพย์กินแต่น้อยแล้วก็เฝ้าอยู่นั่นแหละมีรถดีๆก็ไม่กล้าไปใช้ใช้แต่รถไม่ดีมีเสื้อผ้าดีๆก็เก็บไว้ใส่แต่เสื้อผ้าที่ไม่ดีมีรองเท้าดีๆก็เก็บไว้ใส่แต่รองเท้านี่ไม่ดีมีอาหารดีๆก็เก็บไว้ไอะกินที่ของไม่ดีพอมันจะเสียถึงกินไอ้ของดีๆก็เก็บไว้เนี้ยประเภทเนี้ยกรมที่ให้แล้วไม่สละขาดแต่ถ้าให้สละขาดแล้วจะกล้ากินกล้าใช้ กล้าทําบุญกล้าสลักฉะนั้นเราก็เลือกเอาว่าเราอยากเป็นยังไงสุดท้ายก็คือให้แล้วมีจิตแง่งอนกระทบตนแนละบุคคลอื่นบางคนเป็นแบบนี้นะว่าจะให้ทานก็นึกถึงว่าคนนั้นให้มากกว่าเราขัดเคืองคนนั้นให้น้อยกว่าเราสู้เราไม่ได้ดูหมิ่นเขาคนนั้นให้เสมอเราแสดงว่าจะแข่งกับเราเนี่ยมีจิตแง่งอนกระทบกระทั่งใครเป็นไหมวัยแบบเนี้ยกรณีแบบเนี้ย เมื่อเราได้ทรัพย์ได้สิ่งของมาแล้วจะถูกกระทบกระทั่งเอาไปจอดทิ้งเอาไว้ถูกเฉียวบ้างถูกชนบ้างรถคนอื่นปลอดภัยรถของเราโดนอยู่เรื่อยเลยนะในบ้านก็โดนเดี๋ยวก็ขโ ม, ขโมยขึ้นบ้านไอ้บ้านอื่นไม่ขึ้นขึ้นแต่บ้านเราเนี่ยมีบุตรมีหลานญาติมิรตรก็โดนตําหนิโดนด่าโดนว่าอะไรก็ไม่รู้มีสามีก็อยากมีคนอื่นอยากเอาไปใช้ด้วยอะไรเงี้ยนะมีภรรยาก็มีคนอื่นก็อยาก มากระทบกระทั่งมันมีของเราไม่ได้คนอื่นอยากมาเกี่ยวพันอยู่เรื่อยเลยเพราะอะไรเพราะเราให้ด้วยจิตกระทบกระทั่งแงงอนแต่ถ้าเราไม่ปรารถนาอยากให้ที่ปลอดภัยทั้งหลายก็ให้ด้วยจิตไม่แงงอนไม่กระทบกระทั่งสรุปแล้วห้าอย่างตรงเนี้คือการให้ทานเห็นไหมเราต้องการความปลอดภัยในสังสารวัตรก็ให้ให้ถูกแต่ถ้าไม่ต้องการความปลอดภัยในสังสารวัตรไม่ต้องกานปลอดโปร่งลงก็ให้อย่างที่เคยทํามา มันก็มีแค่นี้เองเรื่องเหตุเรื่องผลพระเจ้าไม่ได้ห้ามนะแต่พระเจ้าบอกเหตุทำเหตุแบบนี้จะได้อย่างนี้ทำเหตุแบบนี้จะได้อย่างนี้หลักการในพระรัตนตรัยจะบอกแบบนี้ไม่ได้บอกว่าคุณจงทําอย่างนี้และไม่ทําอย่างนี้แต่บอกเลยว่าทําแบบนี้จะได้อะไรทําแบบนี้จะได้อะไรแล้วก็เลือกเอาสบายใจไหมแบบนี้ถ้าฟังแบบนี้มันอยู่ที่เราจะจะจะเลือกประการต่อมาก็คือพูดถึงในเรื่องของเหตุแศีสนข้อสองสินข้อสามก็การเมียถ้าปรารถนาอยากจะเป็นคนที่ ครอบครัวแตกแยกแล้วก็ในอัตภาพถัดไปเราก็จะไม่ยินดีในเพศภาวะของตนถ้าปราถนานะก็จงผิดศีลข้อสามแต่ถ้าไม่ปราถนาปราถนาครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขไม่แตกแยกและปราถนาเมื่ออยู่ในเพศภาวะใดก็ยินดีในเพศภาวะของตนเองไม่ไปยินดีในเพศภาวะอื่นก็จงรักษาศีลก็ที่สามไม่แข็งแรงในมันคงหลักการมีแค่เนี้ย ก็เลือกเอาว่าจะทำแบบไหนหรือถ้าปากธนาอยากจะพูดอะไรไปแล้วเนี่ยคำพูดของเราเนั้นเป็นคนที่พูดแล้วเนี่ยพูดถูกการพูดถูกเวลาพูดเป็นอัเป็นทำไอ้นี้กรรมประเภทนี้งดเว้นในการพูดเท็จเป็นต้นอะไรเนี่ยจะทำให้เราได้คุณภาพปากที่ดีด้วยเนี่ยคุณภาพฟันที่ดีไม่พอแล้วก็คำพูดที่พูดไปแล้วเป็นที่น่าเชื่อถือ เมื่อพูดไปแล้วมีแต่คนน้อมที่จะฟังตามจะปฏิบัติตามแล้วก็มีคนไม่กระด้างกระเดื่องในในคำพูดของเราถ้าปราถนาอยากจะพูดอะไรไปก็ไม่มีใครสนใจเลยเหมือนกับลมเหมือนเหมือนเหมือนอากาศพูดให้เขาทำอะไรพูดแทบตายเขาก็ไม่เชื่อบอกลูกจนปากเป็นเอ็นจนปากจะฉีกเขาก็ไม่เชื่อบอกสามีบอกให้กลับบ้านเร็วๆนะเขาก็ไม่เร็ว แต่ถ้าหาปรารถนาพูดอะไรไปก็มีแต่คนจะทําตามตลอดก็รักษาศีลข้อสี่ให้ดีข้อที่ห้าอันนี้เป็นเรื่องของสติสัมปชัญญะถ้าปรารถนาจะมีสติสัมปชัญญะมีปัญญาที่ดีทั้งหลายนั่นก็รักษากุศลศีลก็ห้าให้ดีเพราะว่าตัวสุลามันจ้ทําทลายอะไรรู้ไหมเขาทาลายสมองส่วนหน้าสิ่งเสพติดทุกชนิดนะมนุษย์เรามันจะมีสมองส่วนหน้ากับส่วนหลงัง ไอ้สมองส่วนหน้าเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเหตุและผลสมองส่วนหลังเรื่องอารมณ์ความรู้สึกรักเกลียดกลัวสติราชาญ์ทั้งหลายเหล่านี้จะใช้สมองส่วนหลังในการตัดสินใจใช่ไหมเขาจะเป็นอยู่ได้สัญชาติตยานมนุษย์เราถ้าสมองส่วนหน้าถูกทําลายความเครียดความกโกรธหรือแอลกอฮอล์ทั้งหลายมันจะไปทําลายสมองส่วนหน้าคนคนนั้นก็จะฮิเตเรื่องเหตุผลก็ค่อยค่อยน้อยลงน้อยลงแล้วสติสัมปชัญญะก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้น แล้วจะเป็นคนที่หงดหงิดแล้วก็เป็นอยู่ด้วยอารมณ์แต่เราปราถนาอยากจะทําลายมันทิ้งซะเลยกิเกียดดีนะอยู่ด้วยความรู้สึกดีกว่าไม่ได้อยู่ไม่อยากอยู่ได้เหตุและผลอีกต่อไปแล้วก็เอาของมึนเมาใส่ไปเยอะๆใส่ไปเยอะจัดงานปาร์ตี้บ่อยๆงานกินเลี้ยงบ่อยๆงานสังสรรค์บ่อยๆดื่มบ่อยๆเรื่อมันก็จะถูกทําลายไปเรื่อยๆเมื่อสมองถูกทําลายนะ เมื่อสมองถูกทำลายส่วนหน้าถูกทำลายเรื่องเหตุเรื่องผลทั้งหลายก็ค่อยๆหายไปเมื่อมนุษย์เมื่อมนุษย์มีเหตุมีผลก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเหตุผลถูกทำลายไปก็จะกลายเป็นบุคคลที่ไม่ไม่ไม่สามารถที่แยกแยะเหตุผลประโยชน์และประโยชน์ดีชั่วไปต้นได้เอาละในวันนี้นะามาก็ชี้แจงให้ดูว่าหนึ่งทานกุศลบอกไว้แล้วเรื่องเหตุผลควรทำยังไงประการต่อมาก็คือศีลกุศล ทีนี hands, air, oh ้ในส่วนของปัญญากุศลหรือภาวนากุศลทั้งหลายเหล่านี้ที่เราทั้งหลายควรจะใช้ปัญญาในการพิจารณาในการที่มาในงานสมเอามาได้ขึ้นยกพุทธพจน์ต้นๆมาบอกว่าเรามีความเกิดเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความเกิดไปได้ใช่ั้ยเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้ เราจะต้องพัดภาคจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นและสุดท้ายก็คือเรามีกรรมเป็นของของตนเราทำกรรมดีก็ได้รับผลดีได้ทำกรรมชั่วก็ได้รับผลชั่วใช่ไหมในพุทธภาษิตอีกบทหนึ่งที่มัเป็นภาษิตนะที่บอกว่ายาที่สังวระเตภีชังตาที่สังระเตพลังกาลยานาการีกาลยานางปาปการีจะปาปการเคยได้ยินไหท่านยกตัวอย่างบอกว่า บุคคลหวานพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นอันนี้เป็นเอากฎของพีันิยามมาเปรียบเทียบบุคคลทำกรรมดีย่อมได้สิ่งดีๆเมื่อทำกรรมไม่ดีก็ย่อมได้สิ่งที่ไม่ดีใช่ไหม ก, นะ ก, กัลยาณากากัลยาปลาปกาลีปาทำดีก็เป็นเป็นผลเรื่องดีทีนี้ต้องแยกบางคนไปเข้าใจผิดบางคนบอกเอ๊ะคนทำดีทำไมจนเยอะเกินสมมติไงนะ ไม่เห็นแต่คนทําไม่ดีโอ้ยรวยเอารวยเอาบางคนไปแยกอย่างนี้ก็มีนะเพราะแยกเรื่องบุญเรื่องบาปไม่ถูกทําไมพระเจ้าถึงบอกว่าหวานพืชเช่นใดย่อำได้รับผลเช่นนั้นทําไมถึงยกอย่างนี้รู้ไหมคนปลูกมะม่วงทิ่มเม็ดมะม่วงลงไปในดินมันก็จเจริญเติบโตมาเป็นมะม่วงใช่ไหม เอาขนุนลงไปก็เป็นขนุนเอามาขามลงไปก็เป็นมะขามเอาทุเรียนลงไปก็เป็นทุเรียนเนี่ยหวานพืชหรือเปรปลูกเพา ะ, มะเมล็ดพันธุ์พืชอะไรลงไปมันก็ออกมาเป็นเช่นนั้นอันนี้ก็เรียกว่านพืชเช่นใดก็ย่อมได้ผลเช่นนั้นอันนี้เปรียบเทียบทีนี้ประเด็นมันมีอยู่ว่าเอาปลูกมะม่วงได้มะม่วงนี่ตรงกันนะทีนี้ปีนั้นเนี่ะในประเทศนั้นในสังคมนั้นในหมู่นั้นเนี่ยมีความต้องการ ความต้องการมะม่วงมากคนก็พากันซื้ออย่างก็เลยขายมะม่วงได้เยอะก็เลยได้เงินมากก็บอโอ้โ oh, หปีนี้ดีเหลือเกินปลูกมะม่วงแล้วได้ไรได้เงินนี่ไหมเนี่ยเริ่มไปนะแท้จริงปลูกมะม่วงต้องได้มะม่วงใช่ไหมเกิดคนความต้องการมันมากขายมะม่วงก็เลยได้เงินคนเลยไปเข้าใจปลูกมะม่วงแล้วได้เงินพอปีต่อมาช่วยกันปลูกใหญ่เลยเลยนะี้ยระดมปลูกใหญ่เลยโอ้โ oh, ห oh, ความ ระบบดีมานสะพายมันไม่สมดุลกันแล้วทตเนี้ยพราะปลูกมะม่วงมากขึ้นมากขึ้นราคามันตกขายมะม่วงแล้วได้เงินน้อยโอ้ปีนี้แย่เหลือเกินสวยมากโอ้ว่างั้นนะปลูกมะม่วงไม่ได้เงินเลยแต่จริงปลูกมะม่วงมันยังได้มะม่วงอยู่นะมันไม่ใช่ไปได้เป็นเงินเนี่ยเหตุผลมันตรงกันทีนี้เหมือนกันเวลาเราทําดีเนี่ยทําดีที่ว่าได้ดีกับการได้รับเสียงชมหรือได้รับเงินทองได้รับเกียรติยศชื่อเสียงมันคนละส่วนกันนะ ทำดีมันก็เป็นความดีเพราะความดีเมื่อเราทำดีปุ๊บลงไปเนี่ยจิตที่ดีมันก็เกิดขึ้นจิตที่สะอาดเอี่ยมอ่องผ่องแผ้วมันก็เกิดขึ้นจิตที่ไม่มีโรคจิตที่ไม่มีของเสียจิตที่แข็งแรงจิตที่ตั้งมั่นมันเกิดขึ้นจิตที่มีความสุขมันก็เกิดขึ้นจากการทำดีนั้นเห็นไหมการทำดีคุณภาพจิตที่ดีมันก็เกิดขึ้น ความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีก็เกิดขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นความฉลาดก็เกิดขึ้นจิตไม่อ่อนแอจิตไม่จิตที่แข็งแรงจิตที่ตั้งมั่นจิตที่สะอาดเอี่ยม อ, อ่องของแผ่มันก็เกิดขึ้นแปลว่าอะไรทำดีคุณภาพจิตที่ดีมันก็เกิดขึ้นนี่เรียกทำดีได้ดีทำดีก็ได้จิตที่ดีเกิดขึ้นสองทำดีแล้วก็ได้บุคลิกภาพดีที่เกิดขึ้นก็หมายความว่าบุคลิกบุคลิกภาพทางกายทางวาจาหรือพฤติกรรมที่แสดงออกมา มันจากที่จิตดีก็ผลักดันให้พฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาดีด้วยดีระดับสองเลยนะระดับที่หนึ่งคือจิตใจระดับที่สองคือบุคลิกภาพแต่มนุษย์เราไปต้องการระดับที่สามคือได้ลาบได้ยศสุขสารเสริฐและสมหวังนี่ระดับที่สามผลของความดีระดับที่สามความดีระดับที่สามเนี่ยมันแล้วแต่เหตุปัจจัยว่ามันจะให้ผลเวลาไหนอย่างไร การเวลาเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรนะไปดูอีกทีระดับที่สี่พ่อแม่สังคมสิ่งแวดล้อมพอยได้รับผลดีตามมาด้วยเห็นไมเวลาเราทำดีเนี่ยมันมีสี่ระดับแต่ที่มันให้ผลแน่นอนคือระดับที่หนึ่งระดับที่สองนี่ให้ทันทีนะให้ทันทีในการขณะที่ทา ระดับที่สามต้องรอาการเวลารอสถานการณ์รอเหตุผลอะไรก็ว่าไปโดยเฉพาะระดับที่สี่พ่อแม่สังคมสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมจะได้รับผลกระทบในทางที่ดีตามมาอย่างไรอันนั้นก็ต้องดูกันอีกทีเห็นไหมตรงเนี้ยลักษณะแบบนี้ชาวพุทธเราก็ไม่ค่อยชัดไม่ค่อยชัดในเรื่องการทําดีฉันทําดีคุณต้องชมฉันสิอันนี้มันก็ลปประเด็นแล้วทําดีคุณภาพจิตที่ดีต้องเกิดขึ้นทําดีบุคลิกภาพดีต้องเกิดขึ้น ส่วนเสียงชมเสียงสรรเสริญความสุขไอ้คนที่จะให้ลาบได้ยศสุขสรรเสริญทั้งหลายนี่มันระดับที่สามพ่อแม่ปู่ตาสิ่งแวดล้อมทั้งหลายได้รับผลกระทบในทางที่ดีนี่นระดับที่สี่แม้ทําบาปก็เหมือนกันทําบาปปุ๊บคุณภาพจิตที่แย่มันเกิดขึ้นทันทีเลยนะจิตเสียจิตโกรธจิตเครียดจิตทุกข์จิตเงาหงอยเศร้าซ้อยจิตที่ไม่เป็นไปกับปัญญามันเกิดขึ้นทันที สองบุคลิกภาพที่ไม่ดีมันก็ตามมาทันทีเลยนะเป็นคนหน้าบึง้งเป็นคนที่มีบุคลิกภาพแย่ๆออกมาสแสดงออกมาทั้งสีหน้าแววตาและพฤติกรรมเนี่ยระดับที่สามเสื่อมลาบเสื่อมยศโดนดินทาวประสบความทุกข์ระดับที่สี่พ่อแม่ปู้ตายญยาตยิพ่อพ่อยห้ได้รผลกระทบในทางที่เสียด้วยเพราะมองเห็นนี่ยังมันสี่ระดับแต่ที่ได้นแน่ๆคือระดับที่หนึ่งระดับที่สองเอาและวแต่นี้ ฉะนั้นการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีก็เป็นความดีทำชั่วก็เป็นความชั่วทำดีก็ได้คุณภาพจิตที่ดีทำชั่วก็ได้คุณภาพจิตที่ชั่วเป็นต้นก็เกิดขึ้นก็ให้เข้าใจให้ชัดตรงนั้นเสยทีนี้วันนี้เรามาในงานปรงศพหรือเรียกชาวพนกิจศพของคุณแม่อรยาพวกเราเป็นบุตรหลานญาติมิตรเพื่อนหรือลูกหลานทั้งหลายมาในวันนี้เออมาแล้วเราได้อะไร วันนี้เราได้มาได้ฟังธทำพระธรรมสองสิ่งเราได้ก็คือมาได้ปรองถามว่าตอนนี้คุณแม่บอกอะไรเกศพวกเราคุณแม่อริยาเขาบอกพวกเราบอกว่าถ้าบอกลูกก็บอกลูกเออยู๋จะเรียกเราหนูก็เรียกว่าหนูหรือบอกแฟนก็บอกสามีบอกพ่อหรือบอกกับเพื่อนบอกว่าหลานหรือว่าท่านทั้งหลายดูฉันนี่นี่ก็บอกนะเนี่ย ท่านบอกด้วยอัฏฐะแต่เราต้องอ่านให้ขาดท่านจงดูเราแต่ก่อนเราเหมือนท่านตอนเราแต่ก่อนเรามีชีวิตเราพูดได้ยืนได้เดินได้ก้าวไปถอยกลับแลตรงแล่เหลียวคู่เข้าเหยียดออกกินดื่มเคี่ยวลิ้มถ่ายอุจจาะปัสสาวะยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งทํากิจกรรมของชีวิตได้เหมือนพวกท่านเป็นอยู่แต่บัดนี้ท่านทั้งหลายจงดูเราจงดูข้าพเจ้าตอนนี้ กระแสะชีวิตข้าพเจ้าเนี่ยดับไปแล้วถึงแก่การสิ้นชีวิตแล้วเนี่ยรูปปชีวิตและนามปชีวิตขาดลงแล้วข้าพเจ้าเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนอัตภาพแล้วตอนนี้ข้าพเจ้าอยากจะให้ทานก็ให้ไม่ได้อยากจะรักษาศีลก็รักษาไม่ได้อยากจะเจริญภาวนาก็ทำไม่ได้ อยากจะทํากิจกรรมของชีวิตในการดูแลบุตรหลานญาติมิตรปฏิบัติดีแต่พ่อแม่ปู่ตาย า, ยายายกับเพื่อนทั้งหลายก็ทําไม่ได้เพราะหมดเวลาข้าพเจ้าแล้วแต่ท่านทั้งหลายจงดูเราจงดูเราบอกท่านทั้งหลายจงดูเราจงดูข้าพเจ้าแล้วก็จงดูว่าแม้ต่อไปในอนาคตท่านก็จะต้องเป็นเหมือนเรา เพราะอันนี้มันความจริงที่ข้าพเจ้ามาบอกท่านทั้งหลายนี่อัตถะตัวนี้เราต้องอ่านให้ขาดอ่านให้ขาดก็คือต้องอ่านต้องชานฉลาดในการที่ต้องรู้เข้าใจความจริงข้อนี้ว่าเราจะเอาคุณแม่อริยาเป็นบทเป็นบทพิจารณาเราจะมาปรงศบท่านปรงสรีระท่านด้วยการใช้ญาปัญญาใช้สติสัมปชัญญะไปพิจารณาว่า ท่านอายุ82สิ้งชีวิตแต่คนตายเนี่ยตายในท้องก็ออกมานอกในท้องมากกว่าสติขนาดนั้นนะแล้วออกมาแล้วกว่าจะรอดได้แต่ละวินาทีวินาทียากมากทำไมพวกเราวันนี้ยังไม่ตายอะไรรักษาทำไมไม่อดตายเพราะทานกุศลรักษาใช่ไหมล่ะทำไมไม่ แก่ตายเออทาไมไม่เกิดอุบัติเหตุตายเป็นต้นนี้เพราะกำลังของกุศลศีลรักษาไว้เอเพราะกําลังกุศลศีลรักษาไว้ฉะนั้นพวกทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลยังมีกําลังอยู่ตราบใดก็รักษากระแสะชีวิตด้วยตราบนั้นแต่ถ้าใครกําลังของทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลมันหมดกําลังลงชีวิตก็หยุดก็คืออวัยวะทุกส่วนก็หยุดทําหน้าที่เขาเรียกว่าตายนั้น แต่ชีวิตเนี่ยมันตายได้ทุกเวลาฉะนั้นเอากสริละของคุณแม่อริยาเป็นบทปึกบทปง o ถ้าเราได้อย่างนี้ mm hmm. เาเรียกว่าได้ปัญญาในการที่มางานศพในครั้งนี้แล้วก็สมาทานว่าเราจะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทไม่ประมาทที่บอกว่าไม่ประมาทก็คือว่าละกายะทุจริตเรจริญกายะสุจริตและไม่ประมาทใน ท, ทั้งสองอย่างนั้น ละวจีทุจริตเจริญวจีสุจริตและไม่ประมาทในการทั้งสองอย่างนั้นละมโนทุจริตเจริญมโนสุจริตและไม่ประมาทในการทั้งสองอย่างนั้นละความเห็นผิดและเจริญสมาธิถิตและไม่ประมาทในการทั้งสองอย่างนั้นไม่กําหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งความกําหนัดไม่ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งความขัดเคืองไม่มัวเมาในอารมณ์ที่ตั้งถึงความมัวเมาไม่ลุ่มหลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งความลุ่มหลง เป็นอยู่ด้วยสติสัพชัญญะในการหมั่นในการเจริญทานศีลภาวนาให้ต่อเนื่องและในขณะเดียวกันเมื่อมาละงานนี้เราก็จะทําให้ถูกต้องตามประเพณีแล้วก็เราจะมาเจริญทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลและจะน้อมใจในการจะอุทิศส่วนกุศลเหล่านี้ทั้งหมดที่ทําในวันนี้และในอดีตที่ผ่านมาในะอุทิศให้กับคุณแม่อาริยานี่ยท่านอยู่ในอัตภาพใดๆ อยู่ในคติพบบันไดรู้เห็นการกระทําขอให้อนุโมทนาส่วนบุญกุศลที่บุตรหลานญาติมิตรได้กระทําในครั้งนี้เมื่อว่าบุญที่เกิดขึ้นจากทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลขอน้อมอุทิศ ส, ส่วนกุศลนี้ให้กับคุณแม่ในสัมปรายภพนั้นถ้าท่านมีความสุขให้สุขยิ่งๆถ้ามีความทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ให้น้อมใจไปในลักษณะอย่างนี้แล้วก็อุทิศให้บ่อยๆและส่วนลูกก็ต้องตั้งจิตบอกว่าหน้าที่ของลูกนะหนึ่งท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบ ตอนนี้หมดแล้วไม่สามารถทำได้แล้วเพราะท่านตายแล้วสองทำกิจของท่านถ้าท่านมีกิจการงานใดๆยังเหลืออยู่สามารถดำเนินได้ข้อที่สองทำกิจของท่านประการที่สามดำรงวงทตระกูลเออยียังทำได้อยู่รักษาวงทตระกูลรักษาตระกูลนั้นให้อยู่ยั่งยืนยาวประการที่สี่ทำตนให้เหมาะสมแก่การเป็นทายาทอันนี้ยังทาได้ นนั้นเราเป็นทาญาติของแม่ของคุณแม่ถึงแม้คุณแม่จะเสียชีวิตไปแล้วเราก็จะทําตนเองให้เหมาะสมกับการเป็นทาติที่ดีและทําให้ดียิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปนี่ต้องไม่ประมาทข้อสุดท้ายเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศให้ทุกวันเนี่ยต้องคิดย่งนี้นเอ๊จะทํายังไงทําบุญอุทิศให้ทุกวันแล้วอาจจะตั้งเป็นกระปกุกเขาไว้ก็ได้ทํากล่องเขาไว้ก็ได้ถ้าเราไม่มีเวลาจริ ง, รงๆนะไปวัดหรือไปเจริญกุศลนะเอาละแล้วอาจจะวันหนึ่ง ทำบุญให้แม่วันละหนึ่งร้อยบาทสูงเนี่ยนะใส่กระปุกปุ๊บล้วอาจจะแบ่งไปเป็นการดูแลเรื่องอาหารเรื่องดูแลผ้าป่วยเรื่องมูนิธิใดๆก็แล้วแต่แ ล, แตแล้วก็ทํเนี่ยอุทิศทุกวันแต่ต้องทาทุกวันแบบนี้นะไม่ใช่เดือนหนึ่งทาครั้งเดียวทาทุกวนันน้องเอาใส่ปุ๊บแล้วก็อุทิศส่วนกุศลวันเนี้ย แล้วอุทิศส่วนกุศลทําความดีทุกวันรละลึกทุกวันดําเนินบำเพ็ญทานกุศลทุกวันศีลกุศลทุกวันแล้วขออุทิศส่วนกุศล น, น, นี้ให้กับคุณแม่อย่างนี้เป็นต้นงั้นเราก็ต้องทําเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศหน้าที่ของบุตรหลานญาติมิตรที่พึงกระทำเอาแล้ววันนี้อาตมาได้แสดงพระธรรมมาตั้งแต่เริ่มต้นก็ใช้เวลาพอสมควรเหตุผลก็ต้องการให้พวกเราทั้งหลายได้เข้าใจแล้วเราจะบําเพ็ญกุศลกันให้ถูกต้องดีงามตาม อริยาปเพณีแล้วก็ตามแบบอย่างและให้ถูกต้องดีงามท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมนี้ด้วยอนุภาพเป็นคุณของพระพุทธเจ้าพระธรมรมปริยสงและคุณความดีทั้งหลายขอโยมทั้งหลายตั้งกรัลรยาณจิตอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้กับคุณแม่อริยาที่ล่วงลับไปแล้วไม่ว่าจะท่านจะอยู่ในกติภพอันใดขอให้ท่านมาละลึก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 อยู่เป็นสุทตกเมื่อจนถึงบทอันเกษเมกล่าวคือพระิพานความปราถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเทินให้น้อมอุทิศส่วนกุศลไปให้คุณแม่อริยาในรักษาอย่างนี้และขอบุญกุศลที่เราตั้งใจท ร, รมาดีจงเป็นปัจจัยเก้นหนุนให้เราท่านทั้งหลายจงเป็นผู้หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเทวดารักษาเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย ไปสตรายาพิษโลกร้ายจะได้เบียดเบียนมีสีหน้าที่ผ่องใสมีสมาธิตั้งมันเร็วไม่หลงทําการกิริยาปรารถนาทราบ ป, ปรารถนายศปรารถนาความสุขให้สมปรารถนาในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทินเท่าที่อาตมาภาพแสดงพระธรรมมาก็สมควรแก่เวลาก็ขอยุติพระธรรมเทศนาไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปกาลชนีสาธุสาธุสาธุ